จเจริญพรญาติโยมอย่าบายนะทุกทุกคนญาติโยมนั่งตานสบายเนาะการแสดงธรรมก็จะเป็นเรื่องของการแสดงสิ่งที่ฟังแล้วนำพาจิตใจของเราให้เกิดความสะอาดเกิดกุศลธรรมเขาบอกว่าบุญเกิดได้แม้ขณะของการฟังธรรม กรม บ, บุญมันเป็นกระแสที่เป็นความอิ่มสะอาดฟังแล้วใจมันอิ่มใจมันสะอาดเลยนะนั้นฟังอย่างเงี้ยก็จะเกิดบุญแต่พอฟังเสร็จแล้วก็บ่นในใจไปด้วยแล้วไม่เกิดบุญห้ามบนนะท่าอาจารย์เทศฟังไม่รู้เรื่องนะทีนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีการสอนหลากหลายเลยที่ผู้คนในยุคพุทธกาลก็มาฟังกัน บางบทธรรมพุทธเจ้าก็แสดงเพื่อให้คนรู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะทำให้ถึงที่สุดทุกข์กันได้ก็แจกแจงวิธีการปฏิบัตินะสำหรับคนจะรู้วิธีนะธรรมะบทแบบนี้ก็มีแล้วก็มีบทธรรมบางประเภทคือถ่ายทอดสภาวะอันเป็นผลจากการปฏิบัติที่ว่าถ้าฟังแล้วรู้แจ้งตามก็บรรลุธรรมกันเลยนะธรรมะแบบนั้น ก็จะหาได้ในครั้งพุทธกาลยุคนี้ไม่ต้องไปหานะฟังยังไงก็ไม่บรรลุนะ่นี้ก็จะมีอีกแบบหนึง่งกับบทธรรมที่แสดงในมุมของการปลุกเรา้าฟังแล้วรู้สึกอยากปฏิบัติจังเลยนะฟังแล้วรู้สึกรู้สึกตื่นตัวรู้สึกสนุกก็จะมีบทธรรมแบบนี้บางทีพระเจ้าก็จะปลุกเรา้าด้วยเล่าเรื่องราวต่างฟังแล้วอ๋อคนนั้นสาเร็จคนนี้สาเร็จคนนั้นสาเร็จ ฟังแล้วเราก็น่าจะทำได้นะงันก็จะมีบทธรรมแบบนี้บทธรรมชนิดว่าปลุกเราให้ภิกษุอาจหารแกล้าอยากจะรับไปปฏิบัติันก็จะมีบทธรรมอย่างนั้นนะทีนี้การศึกษาธรรมะเนี่ยธรรมะของพระพุทธองค์ถ้าจะแบ่งเป็นสัสดส่วนก็จะแบ่งเป็นสองประเภทคือธรรมะในสวนที่ เป็นไปเพื่อความสุขในปัจจุบันหรือธรรมะในระดับศีลและธรรมกับธรรมะในชั้นที่มุ่งพาบุคคลให้เขาถึงแก่นกันเลยระดับความเป็นแก่นก็หมายถึงมีการเข้าถึงมรรคผลนิพพานอันนี้คือเข้าถึงความเป็นแก่นเลยธรรมะก็จะมีสองระดับระดับศีลละธรรมสอนให้คนเป็นคนดีสอนิคนทดี ส่งเสริมว่าดีเป็นยังไงไม่ดีเป็นยังไงอย่างนี้กับสอนให้ปฏิบัติเพื่อมุ่งหลุดพ้นไปจากความทุกข์กันเลยนี่ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นตัวแก่นละนะดังนั้นญาติโยมด้วยข้อหาที่ว่าฟังทำกันเป็นประจำอาจารย์ไม่มาสอนแล้วเรื่องไหนดีไม่ดีดีไม่ดนะีพอรู้กันหมดเนะี่ยจะชวนไปนิพพานอย่างเดียวไม่เป็นไรนะโอเค ทีนี้เราก็มาสรุปกันหน่อยดีกว่าหรื่งสรุปเรื่องการปฏิบัติทั้งหมดนะสรุปให้บางคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเราจะไปนิพพานยังไงเราจะทำยังไงให้อาสวะของเรานั้นหมดสิ้นรู้กันบ้างหรือ ย, อยังหนาะทำยังไงให้หมดกิเลสถ้าคนจะปฏิบัติจะต้องมองภาพออกเลยล่ะว่าพระเจ้าบอกให้ทำลายราคะโทสะโมหะหรือทาให้สิ้นตัณหาเนี่ย ถ้าคนรู้จากทางปฏิบัติที่แท้จริงจะมองภาพออกว่ามันจะสิ้นกันได้ยังไงและจะต้องไปปฏิบัติกันยังไงเป็นการที่มองภาพออกแล้วพระเจ้าท่านก็จะทำอะไรต่อหรือไหมท่านก็บอกโน่นโคนไม้โน่นเหลือนวันไลไปละไปปฏิบัติแล้วนี่เราก็มาทบทวนกันว่าถ้าเราต้องการจะปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องทาอะไรกันบ้างนะ การปฏิบัติทั้งหมดเลยเนี่ยเพื่อที่จะมีประสงค์นะประสงค์ในด้านการอบรมเปลี่ยนแปลงขัดเกลวเจ้าจิตให้เข้าไปมีในสิ่งที่ถึงพร้อมต่อการจะหลุดพ้นเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างเลยนะหนึ่งในการปฏิบัติจะต้องมีมุมด้านของการพัฒนาหรือสร้างความสะอาด ความสะอาดให้เกิดขึ้นกับใจมุมด้านสร้างความสะอาดให้เกิดกับใจนในมุมด้านนี้โยมจะต้องรู้เลยว่าถ้าต้องการจะบรรลุถึงฐานะของแก่นธรรมเนี่ยด้านหนึ่งของบุคคลนั้นจะต้องมีความตั้งใจทําให้จิตสะอาดให้สะอาดเมื่อสะอาดบริสุทธิ์จิตที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นพื้นเนี่ยจะทําสมาธิก็จะทําได้สําเร็จ จะเจริญวิปัสสนาก็จะมีพลังนี่คือระดับสะอาดสะอาดมันก็จะมีด้วยกันสองชั้นคือ1สะอาดจากเรื่องราวอันเป็นอกุศลทั้งหลายกับสะอาดจากราคะโทสะโมหะเลยนี่หมดกิเลสในระดับเชิงลึกนั้นเลยนี่คือระดับสะอาดอย่างนั้นเขาใช้คาว่าสะอาดเป็นวิสุทธิเลยนะ ทีนี้สะอาดในชั้นที่ปราศจากเรื่องราวของเป็นอกุศลเนี่ยตรงนี้ก็จะต้องเป็นข้อปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยตั้งใจจริงๆที่จะผ่านวันคืนทำให้จิตสะอาดเราดูมุมนี้ว่าให้สะอาดเนี่ยเราตั้งใจกันขนาดไหนทีนี้คำว่าจะสะอาดให้จิตสะอาดจากอากุศลเนี่ยเขาจะทำกันยังไงบ้างหนึ่งความความสะอาดความไม่สะอาดเนี่ยของจิต ถ้าเขาจะไม่สะอาดก็เกิดขึ้นจากการกระทำไม่สะอาดเพราะเกิดขึ้นจากการกระทำการกระทำทางความคิดความคิดที่ไม่สะอาดเกิดขึ้นครั้งหนึ่งจิตมันจะสะอาดมะไม่สะอาดพอคิดอะไรที่ไม่สะาอาดการคิดตรงนั้นทำให้จิตนั้นไม่สะอาดเลยเศร้าหมองเลยหรือร้อนเลยหรือกระด้างเลยความคิดเขาจะป้องกันความคิด ที่ไม่สะอาดอย่างจริงจังเพราะกลัวจิตไม่สะอาดป้องกันความคิดขยันป้องกันความคิดอันเป็นอกุศลขยันป้องกันความรู้สึกอันเป็นอกุศลขยันป้องกันความจำทั้งหลายอันเป็นอกุศลนี่คือขยันป้องกันก็จะมีมุมหนึ่งคือขยันป้องกันวิธีป้องกันความคิดอันเป็นอกุศลเนี่ยถ้าจะขยันบางบุคคลถ้ามีใจกลัวใจไม่สะอาดมากๆเนี่ย ก็จะป้องกันดึงระดับที่ว่าถ้าจะต้องไปเกี่ยวข้องกับใครรู้ว่าถ้าเข้าไปในกลุ่มนี้จิตฉันเกิดอกุศลแน่เลยคิดแย่แน่เลยนะหลบก่อนดีกว่าไม่เข้าใกล้กลัวจิตเกิดเป็นอกุศลหรืกลัวต้องเกลียดกลัวอกุศลเลยเพราะทันทีที่อกุศลจิตเกิดครั้งหนึ่งเนี่ยความบริสุทธิ์จะถูกทําลายความสะอาดจะถูกทําลายพลังของจิตจะถูกทําลายอกุศลจิตเนี่ยนะ ตัวจิตจะคิดแย่ๆในระดับป้องกันก็คือระวังผัสสนะระวังผัสสะที่กระทบสูงเพื่อไม่ให้จิตเกิดอกุศลยิ่งอยู่ทำกลางใครแต่ใครเยอะแยะเนี่ยถ้ารู้ว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับคนคนนี้แล้วถ้าเราเข้าไปเนี่ยพร้อมจะเจออะไรทำให้จิตเราคิดแย่ๆแน่เนี่ยอาจจะต้องตั้งใจสักนิดก่อนเออเตรียมท่าไว้ก่อนเนี่ยฉันจะเมตตาเธอหนอ เดี๋ยวฉันจะโดนอะไรของเธอแล้วฉันจะยิ้มไว้หนอก่อนเข้าไปหาเขานี่คือป้องกันไว้ก่อนเตรียมการให้ชัดก่อนแล้วค่อยเดินเข้าไปนี่คือกลัวมากนะกลัวจิตเป็นอกุศล น, นั้นมุมหนึ่งคือขยันป้องกันเมื่อสิ่งที่เป็นอกุศลไม่เข้ามาในทางความคิดเนี่ยไม่เข้ามากระตุ้นให้คิดจิตเขาก็จะยางยังสะอาดอยู่นะอย่างสะอาดอยู่ทีนี้ถ้าหลุดเข้ามาล่ะ หลุดเข้ามาถ้าหลุดเข้ามาก็ต้องขยันที่จะละพอหลุดเข้ามาแล้วต้องรีบสลัดเลยนะคนที่มีใจส่งไปในการมุ่งหวังจะพัฒนาในด้านมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาจะเห็นค่าของความสะอาดของใจสูงแล้วก็เกลียดกลัวบาปอากุศลเกลียดกลัวส่วนอันเป็นกุศลและจิตโยมต้องเกลียดกลัวถ้าไม่เกลียดกลัวโยมไม่คิจะละหรอกนะดังนั้นถ้าคิดอะไรไม่ดีเนี่ยเขาจะต้องรีบ ไล่มันออกไปเพราะถ้าค้างอยู่นานจะทำให้จิตสูญเสียความสะอาดสูญเสียความสะอาดแล้วก็จะสูญเสียความอ่อนโยนสูญเสียความจำใส่และสูญเสียความเยือกเย็นเนี่ยถ้าลองคิดอะไรเป็นอกุศลเนี่ยคิดๆเยอะๆมันร้อนั้มร้อนพอร้อนแล้วจิตจะหยาบแล้วจิตก็จะปลอกกระแสความบริสุทธิ์ก็ถูกทาลายดยการที่ปล่อยให้เกิดนะ ดังนั้นผู้ปฏิบัติที่คิดจะเอาดีเอาจริงกันจริงๆเนี่ยเขาจะเติมความตั้งใจรัดกลุ่มในทางละสูงกลัวมากนะอกุศลเกิดขึ้นนิดกลัวกลัวตัวเองจะเกิดเกิดแล้วต้องรีบละเกิดแล้วต้องรีบละความจํำแย่ๆลอยขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นความจําในทางให้จิตคิดแย่ๆเน่ยต้องรีบละเพราะทันทีที่คิดอะไรแย่ๆจิตใจหยาบจิตจะร้อน จิตจะมองทันทีเน้นต้องสลัดอันนี้คือข้อปฏิบัติของคนที่ต้องการให้ใจมีพื้นสะอาดมากๆเนี่ยเขาจะขยันป้องกันนะตื่นเช้ามาต้องเตรียมการไว้ก่อนว่าวันนี้เราจะต้องรักษาความสะอาดให้ดีตลอดวันก่อนที่จะไปเจอใครเนี่ยวันนี้ฉันจะไม่คิดแย่กับใครวันนี้จะตระเันตัวแจให้เขาสะอาดอย่อยางนี้ให้ได้นี่คือต้องตั้งใจถ้าตั้งใจอ ย, อย่างนี้เขาจะแข็งแรง นะพอเป็นความตั้งใจที่ออกไปแล้วตั้งแต่ตั้งแต่บ้านเลยและถ้าเกิดก็ละละให้เร็วไอ น, นี่คือข้อหนึ่งในระดับของการป้องกันอากุศลละอากุศลนี่ต้องขยันกับรักษาความสะอาดในด้านการควบคุมการพูดถ้าเราพูดจาพูดจาไม่ดีจิตเราก็ยังสะอาดอยู่ไหมนินทาชาวบ้านสะอาดนหม เศษสีชาวบ้านก็ไม่สะอาดพูดจาหยาบก็ไม่อ่อนโยนพูดจาเท็จจิตก็คดเลยดัยงนั้นคนที่จะปฏิบัติเนี่ยเขาจะรักษาความสะอาดเมื่อต้องการรักษาความสะอาดเขาจะควบคุมการพูดปิดกั้นการพูดที่เป็นการพูดเท็จนะพอพูดเท็จแล้วจิตหยาบทันทีเลยนะปิดกั้นการพูดที่เป็นคําหยาบ พ, พูดหยาบและจิตหยาบปิดกันกดนดก้นกันพูดที่เป็นคําส่อเสียดปิดกัน้นคำพูดที่เป็นคําพูดเพิรเจอร์เลเธอะปิดกั้นถ้าจะพูดเท็จหยุดถ้าจะพูดหยาบเบรกถ้าจะพูดเพิรเจอร์หยุดเตือนตัวเองให้หยุดถ้าจะส่อเสียดหยุดเมื่อปิดกั้นการพูดเนี่ยกระแสของจิตก็จะยังไม่เศร้าหมองเพราะการพูดต่อมาก็ปิดกั้นที่การกระทําอง การกระทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็ปิดกัน้นถะ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรต่างๆที่โยมสมทานเนี่ยนะเวลาจะฆ่าก็หยุดเวลาจะทำอะไรผิดก็หยุดเบลกปิดกั้นทั้งการพูดการคิดการกระทาทั้งความรู้สึกถ้าปิดกั้นอย่างนี้กระแสจิตเขาก็จะสะอาดนี่คือด้านงานด้านสะอาดดังนั้นถ้าโยมจะปฏิบัติธรรมเนี่ยในถึงระดับขั้นสูง งานด้านหนึ่งที่ผู้บำเพ็ญภาวนาต้องทำคืองานด้านทำจิตให้มีพื้นสะอาดพื้นสะอาดเมื่อทำแล้วก็ต้องมีการประคองรักษาด้วยนะบางคนทำจิตให้สะอาดแล้วเนี่ยบางทีสะอาดได้ไม่กี่เวลาก็ปล่อยฉะนั้นข้อสำคัญคือทำแล้วก็ต้องรักษาขยันรักษาแล้วต้องตรวจตราวความสะอาดอยู่เสมอ ตอนที่เราควบคุมการพูดให้สะอาดขึ้นเยอะเลยไม่ลดการพูดเท็จลดพูดหยาบลดการพูดเพ้อเจ้อลดการพูดส่อเสียดเลยคำพูดเราเย็นขึ้นไหมเย็นเมื่อคำพูดเราเย็นใจเราเย็นขึ้นไหมเย็นการกระทําเราก็ลดการกระทําที่ผิดนะคิดเคยไม่ได้สนใจนะักเกิดเรื่องเล็ ก, ล ก, ลกน้อยเนะี่ยมดยุ่งก็ตีก็ตบก็ฆ่าอะไรต่างก็เปลี่ยนหมดเปลี่ยนไม่ทำํำนะเวลาจะทําก็หยุดนะ ไม่ถือเอาอะไรที่เขาไม่ได้ให้เรื่องอะไรอย่างนั้นก็หยุดการกระทาอะไรเป็นความบาปทางการกระทาก็หยุดพอหยุดแล้วกลิ่นอายของบาปทมอกุศลมันไม่เข้ามาเนี่ยกระแสจิตก็จะยังอ่อนโยนอยู่สะอาดอยู่ความคิดถ้าจะคิดก็หยุดควบคุมให้หยุดทั้งความคิดทั้งการพูดทั้งการกระทาทั้งความรู้สึกอย่างเี้ยขยันควบคุมอย่างนี้ปิดกั้นไม่ให้เกิดถ้าเกิดก็ละ และทองตัวอยู่อย่างนี้เป็นเวลาช่วงหนึ่งกลิ่นอายความสะอาดเนี่ยก็จะกลั่นความอ่อนโยนสบายใจให้คนนั้นคนเราไม่พูดจาแย่แย่ไม่กระทำแย่แติดเนื่องกันไม่คิดแย่แย่ติดเนื่องจริงๆเนี่ยคิดว่าเขาเย็นขึ้นไหมเขาเย็นขึ้นในความสะอาดให้ความผ่อนคลายสบายใจเลยนะแล้วก็ให้พลังด้วยนี่คือเรื่องของกุศล ม, มันเป็นรากฐาน ที่เมื่อสะอาดแล้วพื้นฐานความสะอาดเนี่ยจะช่วยส่งเสริมเวลาคนทำสมาธิก็จะทำได้ดีแต่พระเจ้าให้ประณีตไปกว่า น, นั้นคือถ้าสะอาดนะยังไม่พอจะให้จิตมีพื้นเนียบกว่า น, นั้นอีกคือสะอาดแล้วอ่อนโยนด้วยอีกด้านหนึ่งของการปฏิบัติคือพัฒนาด้านความอ่อนโยนคนปฏิบัติธรรมเนี่ย นะการจะเข้าถึงธรรมชาติการจะพิจารณาอนิจจังพิจารณาอะไรให้มันรู้สึกรู้ซึ้งได้เนี่ยคนนั้นต้องมีจิตที่สะอาดและอ่อนโยนถ้าจิตกระด้างเนี่ยพิจารณาอนิจจังยังไงก็เฉยถ้าจิตกระด้างเนี่ยพิจารณาว่ามันไม่ใช่เราอย่างไรก็เฉยมันไม่อ่อนโยนพอไม่อ่อนโยนเขาไม่น้อมตามเขาไม่ลึกซึง้งนะดังนั้นกระแสของจิตที่จะ เป็นรากฐานของการสร้างคุณธรรมเบื้องสูงนะทั้งเรื่องสมาธิทั้งเรื่องวิปัสนาทั้งเรื่องปล่อยวางอะไรเนี่ยผู้ปฏิบัติมุมหนึ่งคือพัฒนาด้านสะอาดด้านสะอาดนี้เป็นฐานพระพุทธเจ้าบอกการควบคุมการพูดการกระทาความคิดความรู้สึกให้เป็นพื้นสะอาดอยู่เนี่ยมันเป็นฐานของการเจริญสมาธิให้ได้สมาธิโดยง่าย เวลาโ ย, ยมใจสะอาดดีเนี่ยกระแสะอารมณ์ผ่อนคลายสบายเนี่ยกลิ่นอายความเย็นมันมีเมื่อใจเราเย็นสะอาดเนี่ยความสงบตามธรรมชาติมันมีเมื่อมีความสงบตามธรรมชาติเนี่ยโยมจะสามารถคุมจิตได้ดีนี่แค่สะอาดนะและในยามที่จิตทรงความสะอาดไว้ได้ดีเนี่ยความสะอาดของจิตจะทำให้พลังของจิตนั้นมี แล้วก็ทําให้ชตาแข็งแรงนะความสะอาดเมื่อปิดกั้นการพูดให้สะอาดปิดกั้นการกระทําให้สะอาดปิดกั้นความรู้สึกให้สะอาดแล้วทรงอยู่อย่างนั้นเนี่ยกลิ่นอายความสะอาด่ยมันทาให้เราเย็นใจและเมื่อทรงความสะอาดไว้นานๆนิสัยเราจะเปลี่ยนไปเราจะกลายเป็นคนที่ดีอย่างแท้จริงเนีมื่อดีอย่างแท้จริงทีนี้ไม่ต้องไปปิดกั้นอีกแล้วไม่ต้องไปรักษาบังคับประคองอีกแล้ว เราจะกลายเป็นคนที่ไม่มีความคิดจะทำจะทำไม่มีความคิดที่จะมีเจตนาจะไปกระทํามันอีกเรากลายเป็นคนที่เย็นไปเลยกับเรื่องการพูดการกระทําและความคิดซึ่งความคิดในทางอากุศลมันจะเริ่มเกิดยากขึ้นในยามที่ใจโยมสะอาดได้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยความคิดอกุศลนี่เกิดยากมากเพราะยามที่ใจคนเราสะอาดเนี่ยมองอะไรมาอารมณ์ดีไปหมด พอสะอาดแล้วนะเนี่ยเ็นอะไรผิดยังไม่ถือสาเลยพอสะอาดแล้วเนะี่ยเห็นอะไรที่มันขัดตาก็ยังจะเย็นอยู่ได้นี่คือความสะอาดนะรักษาความสะอาดให้ได้ทุกจุดหนึ่งพอถึงจุดหนึ่งความสะอาดจะย้อนกลับมารักษาเราให้ทรงตัวบนความสะอาดแล้วทำให้วันคืนเย็นทำให้วันคืนสดชื่นเลยทำให้มีอารมณ์ที่สบายใจสะอาดนี้สบายใจนะ และใจสะอาดนี้แข็งแรงดีนะดังนั้นความสะอาดเนี่ยเขาจะเป็นฐานของการจะกระทาเรื่องราวของสมาธิและวิปัสสนาเบื้องสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนั้นด้านหนึ่งของผู้ปฏิบัติเนี่ยต้องรู้ชัดเลยว่าต้องพัฒนาด้านสะอาดเนี่ยให้สมบูรณ์ให้ได้อย่างเรามานั่งสมาธิเรามาสมาฐานศีลเรามาจะเดินหรือจะอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องรู้หนึ่งข้อว่า ถ้าเรามุ่งหวังความสําเร็จในธรรมเนี่ยเราต้องพัฒนาด้านความสะอาดของใจเนี่ยให้มันสะอาดหมดโจดจากอากุศลให้ได้อย่างแข็งแรงและทรงตัวให้สําเร็จนะถ้าด้านสะอาดยังไม่มีพลังพอเนี่ยจิตเขาจะยังไม่ลงตัวที่จะมั่นคงในการจะเจริญธรรมเบื้องสูงได้เลยพอความสะอาดลงตัวแล้วบางทีอยู่ธรรมดายังจะสงบเลย ใจที่เข้าถึงความสะอาดจากอากุศลทั้งหลายเนี่ยกระแสเขาดีกระแสเขากลมกลืนกับธรรมชาติได้ง่ายคนใจสะอาดเนี่ยมันจะอ่อนโยนและกลมกลืนกับธรรมชาติได้ง่ายปโปร่งเบาอ่อนโยนนี่คือใจสะอาดนะทีนี้ในมุมของใจสะอาดเนี่ยยังไม่พิเศษคนที่จะปฏิบัติธรรมด้านหนึ่งพัฒนาด้านความสะอาดให้เกิดขึ้นได้แล้วเนี่ยโดยการปิดกั้นทางความคิด ลัดกลมมากถ้าคิดไม่สะอาดครั้งหนึ่งมันเข้ามาถึงอะไรจิตเลยกระแสจิตสูญเสียความสะอาดทันทีคิดไม่สะอาดจิตก็เสียพูดไม่สะอาดจิตก็เสียกระทาไม่สะอาดจิตก็เสียเข้าไปที่จิตหมดเลยนะดังนั้นเขาจะรักษาจิตจึงปิดกั้นทั้งทางความคิดทั้งทางการพูดทั้งทางการกระทําปิดกั้น3ามทางก็คือการรักษาจิต นะโยมจะรักษาจิตให้สะอาดโยมต้องระวังการพูดถูกไห ม, มพูดเยอะจิตฟุ้งไหมฟุ้งพูดซอเสียดใครจิตของเราร้อนกระด้างเลยนะนะหรือพูดหยาบพูดหยาบบ่อยๆจิตเราหยาบเลยนั้นกระแสจิตเนี่ยถ้าสะอาดอ่อนโยนเขาจะเป็นจิตที่ว่าง่ายเหมือนเด็ก เ, เด็กที่ที่จิตใจใสซื่อแล้วก็อ่อนโยนเนี่ยเรา คุยกับเขาง่ายคุยกับเขารู้เรื่องดีเจ้าจิตตัวเองนี่เหมือนกันนะเราจะคุยกับเขารู้เรื่องเราต้องทำให้เขาสะอาดทำให้เขาบริสุทธิ์ใสซื่อขึ้นมาให้สำเร็จเมื่อใดทำให้เขาบริสุทธิ์ใสซื่อแล้วเราจะควบคุมเขาได้ควบคุมจิตตัวเองได้นะจะให้เขาบริสุทธิ์ก็คืออย่าให้อกุศลธรรมเข้ามาในใจข้อที่หนึ่งคือสกัดกั้นอย่าให้เข้า และอย่าให้เกิดขึ้นในใจและถ้าเกิดต้องรีบไล่มันออกไปอย่าให้เข้ามาอยู่ในใจและก็ประคองรักษากระแสสะอาดและพัฒนาความสะอาดให้แข็งแรงยิ่งขึ้นจนถึงจุดที่ทรงตัวเป็นความสะอาดอย่างนั้นโดยไม่ต้องรักษาอั น, นีคือขั้นของการสร้างพื้นฐานด้านสะอาดนั้นถ้าโยมจากจะปฏิบัติคุณธรรมเบื้องสูงเนี่ยโยมต้องไม่ลืมว่า เราจะต้องตั้งใจทําจิตนั้นให้สะอาดจากอากุศลให้ได้อย่างทรงตัวแข็งแรงนะคำว่าทรงตัวแข็งแรงก็คือเราจะควบคุมแต่ความคิดอย่างเดียวพอไหมตรงปากฉันไม่ควบคุมไม่พอนะอาฉันควบคุมแค่ไม่พูดเท็จอย่างเดียวพอไหมแต่ฉันยังพูดหยาบอยู่พอไหมไม่พอนะฉันไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบแต่ฉันยังพูดเยอะอยู่พูดไร้สาระอยู่พอไห ไลซาละจิตก็ฟุง้งพอฟุ้งนานๆจิตก็ร้อนพอร้อนก็สูญเสียความเย็นพอสูญเสียความเย็นก็สูญเสียความสงบนะไอ้นี่คือต้องควบคุมนั้นคนที่จะเก็บละเอียดนะพระพุทธเจ้าให้เก็บละเอียดเนี่ยท่านให้ควบคุมไปที่วาจาว่าเธอต้องไปทำให้กายเป็นวาจาชนิดที่ไม่พูดเท็จพูดยาพูดเพอเจอพูดสอเสียเธอปิดกั้น4ี่กิริยาอย่างเนี้ย จิตของเธอจะสะอาดและสมดุลควบคุมไปที่การกระทำนะการกระทำอะไรที่เป็นการกระทำบาปเช่นการฆ่าการเบียดเบียนถ้าฆ่าเบียดเบียนในทุกการกระทำจิตจะหยาบทันทนะีตบยุงครั้งหนึ่งเนี่ยคิดว่าไม่มีอะไรนี่หยาบนะแต่พอไม่ตบสักครั้งหนึ่งพอเขากัดเราเนี่ยแทนที่เราจะตบเราไม่ตบเราแกะเขาออกไปเนี่ยตรงนั้นมันอ่อนโยนอ่อนโยน นะทันทีที่ไม่ตบเนี่ยหนึ่งจิตได้เติมความอ่อนโยนทันทีได้เติมการให้อภัยทันทีได้เติมการปล่อยวางทันทีได้เติมภาวะที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นในตนทันทีคนรักตัวเองมากนเนี่ยแตะต้องตัวฉันไม่ได้เธอมากัดฉันเธอเจ็บหรือไม่ก็ตายดัยงนั้นพอคิดจะไม่ทำเนี่ยมัน จิตมันได้อะไรเยอะเลยนะแค่ไม่ตบยุ่งสักหนึ่งครั้งเนี่ยมันได้เยอะไม่บีมด่ไม่ตบยุ่งเนี่ยมันได้เยอะสัตว์เล็กไม่ทำเนี่ยนานๆเนี่ยสัตว์ใหญ่เนี่ยไม่ทำเลยพอมันอ่อนโยนในมุมนี้ต่อมาความอ่อนโยนมันจะขยายตัวไปสู่เพื่อนมนุษย์ได้ด้วยมันมีจุดตั้งต้นจุดตั้งต้นจะพาไปขยายวงกว้างได้ในที่สุดแต่ถ้าจุดตั้งต้นไม่มีวงกว้างมันจะมีไห ไ ม, มีนะงั้นถ้าจุดตั้งต้นเราทําตบยุงบี้มดได้เดี๋ยวต่อมาก็จะตัวใหญ่ขึ้นได้ต่อมาก็จะขยายเป็นแมงสาบต่อมาก็จะเป็นแมงป่องตะขาบอะไรเล่ยเปลือยยาวออกไปนั้นจุดตั้งต้นเก็บละเอียดได้เนี่ยมันทําให้ใจละเอียดตามนะงั้นข้อเนี้พพุทธเจ้าเนี่ยให้เว้นเพื่อให้จิตของคนนั้นละเอียดเพื่อจิตคนนั้นสะอาดนะไม่มีบาปทำ ไม่กระทำอะไรที่เป็นการคดโกงใครใจก็เที่ยงตรงแข็งแรงไม่มีเครื่องกังวลให้รู้สึกเป็นทุกข์ทั้งหลายคือถ้าไปทำผิดเนี่ยจิตมันทั้งหยาบทั้งกังวลหาความสงบไม่ได้เลยแต่เมื่อเจ้าให้เว้นเรื่องทางการกระทำทางกายทางการพูดทางการคิดเว้นสักช่วงตลอดยาวนานสักครึ่งปีเนี่ยนะจะพูดเท็จฉันหยุดจะพูดหยาบฉันหยุด จะพูดเพอเจอก็หยุดจะส่อเสียดก็เบรกเบรกเบรกเบรกเบรกจะทำผิดทางกายจะตีมดตบยุงก็หยุดฆนะ่าสัตว์หยุดหยุดคิดไม่ดีทันทีที่อะไรกระทบแล้วคิดไม่ทีหยุดไม่เอาเดี๋ยวจิตฉันเสียนะเจออะไรแย่ๆมันแย่จริงๆนั่นแหละนะที่มันชวนให้คิดจริงๆนะเราก็ ต้องมาเลยว่าถ้าคิดปั๊บเนี่ยจิตก็เสียต้องรักษาความบริสุทธิ์เหมือนรักษาทรับเลยละ่ะกว่าจะได้ใจสะอาดมาเนี่ยทำมาตั้งนานไปคิดสักสอนาทีกับเรื่องที่ไม่ควรจะต้องเอามาคิดเลยเนี่ยก็คือทําลายตัวเองนะถ้ารักษาจิตดีๆเขาจะกลัวความคิดตัวเองยิ่งกว่ากลัวความคิดคนอื่นนะกลัวความคิดตัวเองมา ก, มากๆกลัวความคิดอันเป็นอกุศลเพราะทันทีที่ขึ้นมาครั้งหนึ่ง เขาจะทำให้จิตอยากทำให้จิตหมองทำให้กระแสร้อนทำให้กระแสกระด้างนั่นคือการทำลายตัวเองนะทาลายตัวเองนั้นมุมด้านหนึ่งของผู้ประพฤติ ธ, ธรรมเนี่ยก็คือพัฒนาด้านสะอาดนะสะอาดดูซิว่าเราเอาจริงกับมันได้ขนาดไหนกับด้านสะอาด เอาแค่ด้านสะอาดด้านเดียวเนี่ยมันทําให้กลิ่นอายมันเยือกเย็นสบายใจเลยถ้าทําให้ดีจริงๆและเกิดตาบะด้วยเพราะทันทีที่เราจะพูดแล้วเราต้องหยุดเนี่ยบางคนทุกครั้งที่หยุดมันต้องทนหยุดนี้ต้องทนหยุดนี้ต้องทนนานๆแล้วฝึกหยุดบ่อยๆจะเกิดการฝึกที่จะควบคุมจิตให้อยู่ในอนํานาจเพราะคนเราชินจะตามใจเจ้าจิตจะพูดฉันพูด จะคิดฉันคิดไอ้ น, นี่คือชินจะไหลไปแต่พอมาเปลี่ยนวัฒนธรรมที่จะพัฒนาให้เขาสะอาดมันต้องฝึกการหยุดหยุดครั้งหนึ่งก็คือได้ข่มเขาครั้งหนึ่งข่มเขาทุกครั้งข่มข่มข ม, มนานๆเราจะเป็นผู้สามารถข่มจิตได้ในเวลาที่ควรข่มมีพลังในการข่มจิตนะอันนี้เริ่มเก่งแล้วนะถ้าไม่สามารถข่มจิตได้เนี่ย ก็หมายถึงควบคุมเจ้าม้าประยศไม่ได้เพื่อเจ้าบอกว่าเป็นพวกแค่ผู้ถือเชือกไม่ใช่นายสารถีถ้านายสารถีต้องคุมจิตได้ดั่งใจต้องการนะอันนี้คือข้อพัฒนาด้านความสะอาดนะโยมไปดูว่าเอาให้พิเศษเอาให้ลําเลิศได้ขนาดไหนต่อมาพัฒนาด้านความอ่อนโยนนะคนประพฤติ ธ, ธรรมเนี่ยความอ่อนโยนของใจนี้สําคัญมากเลย อะไรที่เป็นความถือตัวเนี่ยมันทำให้จิตกระด้างไหมกระด้างนะกลิ่นอายความถือตัวเนี่ยเราจะต้องรู้ตัวเราจะกดมันแกถือตัวมากนักเลยถ้าถือตัวเดี๋ยวฉันจะพาแกไปลดตัวเองนะต้องมีความตั้งใจจะทําให้จิตอ่อนโยนเป็นความตั้งใจเลยพัฒนาด้านความอ่อนโยนด้วยนยะบางคนลืมนึกฉันเป็นยังไงฉันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ฉันขยันนั่งสมาธิ ไอ้อ่อนโยนไม่ยอมอ่อนโยนถ้าไม่อ่อนโยนแล้วเนี่ยการปล่อยปลงหรือคืนคลายสู่ธรรมชาติบริสุทธิ์เนี่ยยากมากเพราะเขากระดา้างนะพอกระด้างแล้วมันขาดความลึกซึ้งในอารมณนะ์พออ่อนโยนแล้วเหมือนเข้าไปถึงใจชาวบ้านชาวช่องก็เลยนะั่นคืออ่อนโยนนั้นการที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจึงต้องมีมุมพัฒนาด้านอ่อนโยนทํายังไงให้อ่อนโยนขึ้นได้หนึ่ง ถ้าเป็นในสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าก็ให้ภิกษุเนี่ยตั้งจิตให้ประกอบไปด้วยใจรักเอ็นดูคนทั้งหลายในการจะไปสู่ทิศทั้งปวงนะก่อนจะไปที่ไหนเมื่อเธอไปก็ให้เธอตั้งใจที่เธอจะต้องมีใจรักเอ็นดูกับคนทั้งหลายไม่เลือกที่รักมักที่ชั่งรักไม่มีที่สุดรักไม่มีประมาณ ไม่ใช่รักแต่ตัวฉันแล้วก็เพื่อนของฉันคนอื่นฉันไม่รักอะไรอย่างนั้นพัฒนาด้านความอ่อนโยนเราดูว่าใจเราอ่อนโยนได้แค่ไหนหนึ่งสิ่งที่ช่วยอะไรที่ทำให้จิตอ่อนโยนได้ไปทำเลยถ้าเรารู้ว่าในมุมของการทำให้จิตเปลี่ยมด้วยความรักเอ็นดูเนี่ยนะไปสร้างใจให้รักเอ็นดูใจให้สงสารเกื้อกูลเนี่ย สร้างจิตสองชนิดขึ้นมามันดึงความอ่อนโยนและพยายามที่จะทำลายจิตที่คิดรังเกียจใจคิดรังเกียจอะไรมันทำให้กระด้างโยมรังเกียจอะไรเนะี่ยแต่รังเกียจกิเลสนี่มันดีไหมดีแต่รังเกียจชาวบ้านนี่กระด้างเลยนะถ้าใจรังเกียจใครต้องทำลายใจนั้นทันทีที่เธอเกิดต้องทำลายอย่าให้เขาทรงตัวค้างนาน เพราะเขาจะทำให้เราสูญเสียความอ่อนโยนของกระแสจิตนะทำลายความคิดรังเกียดอคติเวรไภยพวกสิ่งเหล่านี้คือกระด้างหมดล้แล้วก็เติมใจรักเอ็นดูเกื้อกูลอนุเคราะห์ใจเกื้อกูลอนุเคราะห์เนี่ยคนไหนทำดีช่วยเหลือเกื้อกูลคนมากๆเนี่ยเขาจะเริ่มอ่อนโยนแต่การทำดีถ้าทำดีไม่เป็นความอ่อนโยนจะน้อยนะโยมต้องตั้งใจใหม่ ถ้ายอมจะช่วยใครก็ให้ตั้งใจว่าเราจะไปช่วยเขาเพื่อให้เราอ่อนโยนขึ้นนะอย่าไปตั้งใจว่าฉันช่วยเขาเพื่อให้เขาชื่นชมเราอะไรอย่างนั้นหรือฉันช่วยเขาเพื่อฉันจะเอาบุญเยอะๆมันไม่ได้อ่อนโยนขึ้นนะแต่ถ้าจะช่วยคนเนี่ยก็ให้ตั้งใจที่จะใจะให้เขามีความสุขและก็อยากจะให้เราเนี่ยอ่อนโยนขึ้นมานะให้ตั้งใจอ ย, อย่างนั้นพยายามที่จะ <c oughs> ดึงจิต ในการจะอนุเคราะห์เกื้อกูลจะช่วยทางการพูดทางการกระทำอะไรเนี่ยก็ให้กระทำด้วยใจอนุเคราะห์เกื้อกูลนึกเกื้อกูลอนุเคราะห์นึกเกือกออกเก้อกูลอนุเคราะห์นานๆใจจะ ก, กว้างและก็อ่อนโยนและถ้าเกื้อกูลให้ฉลาดก็คือเกื้อกูลเพื่อหวังให้ตัวเองอ่อนโยนไม่ได้เพื่อหวังให้ตัวเองได้อะไรนั้นอย่างนั้นอ่อนโยนได้เมื่อ ใ, ใจอ่อนโยนด้วยสะอาดด้วยนะ ควบคุมทั้งอกุศลได้ดีและขยันสร้างในมุมให้จิตอ่อนโยนเนี่ยคนที่มีปกติใจอ่อนโยนสะอาดคนคนนั้นมีวันคืนที่สบายใจไหมสบายใจนะอ่อนโยนได้เนี่ยขณะที่เราสงสารคนอื่นเนี่ยทันทีที่สงสารเขาเนี่ยเราอ่อนโยนทันทีนะในความอ่อนโยนของเราทันทีเนี่ยจิตของเราจะเย็น ขณะที่เราสงสารเขามันอ่อนโยนพออ่อนโยนแล้วเขาจะเย็นเลยนะจิตตนเองเนะี่ยนั้นการสงสารคนอื่นเนี่ยตัวเราได้ประโยชน์ไหมประโยชน์รักคนอื่นเนี่ยใจเราอ่อนโยนเลยนะรักสัตว์เนี่ยอ่อนโยนเลยรักเพื่อนมนุษย์ก็อ่อนโยนดังนั้นการรักคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งน่ารังเกียจไหมเป็นสิ่งมีค่ามากนะเมตตานั้นรักกันมากๆเพราะทันทีที่รักคนอื่นจิตอ่อนโยนเลยนะรักหนึ่งคน รักสองคนรักสารักไปทั่วระดับการดูดซับความอ่อนโยนกับการรักคนเดียวกับรักทั้งกลุ่มหมู่เนี่ยไรนมากกว่ารักทั้งกลุ่มหมู่นั้นการรักคนอื่นคนที่ได้ประโยชน์จริงๆคือเราเราได้ความอ่อนโยนของใจสูงมีอ่อนโยนมากเนี่ยคนนั้นจะมีกลิ่นอายของจิตที่ทรงพลังมากคนที่จิตอ่อนโยนนี่โกรธยากไหม โกรธยากนะให้อภัยง่ายมยง่ายปล่อยวางก็ง่ายนี่คือกระแสะเขาอ่อนโยนดังนั้นการปฏิบัติธรรมน่ยอีกข้อหนึ่งที่คนประพฤติรมควรต้องอบรมคือความอ่อนโยนนะไม่ใช่จะนั่งแต่สมาธิจะเอาแต่ฌานหรือจะเอาแต่อะไรนั้นนะไม่ยอมเปลี่ยนนิสัยให้อ่อนลงมานั้นก็ก็จะต้องปรับทั้งด้านกระแสะสะอาด ให้เป็นผู้มีกระแสที่สะอาดให้มากที่สุดให้ได้นะกับสะอาดแล้วไม่พอต้องให้อ่อนโยนด้วยจะอ่อนโยนเนี่ยมันก็จะต้องเติมเรื่องการข่มจิตนะในชนิดที่กระด้างเช่นข่มความถือตัวข่มความรังเกียจเปรียบเทียบถ้าจิตเขาเกิดขึ้นมาเราต้องทาลายจิตอย่างนั้นไป คนที่คิดจะข่มตัวเองลงอย่างนั้นคือคนที่ประเสริฐมากเลยนะนะเพราะว่าคนที่จะสู้กับความถือตัวของตนเนี่ยคือคนที่มีใจสูงมากและเป็นคนที่มีระดับของพลังการปฏิบัติที่แข็งแรงเลยที่มุ่งจะเอาชนะเจ้ามานะฮะเนี่ยพอสู้กับเขาการสู้เราก็ได้ประโยชน์ทันทีนะได้ทั้งฝึกได้ทั้งตะบะและได้ทั้งควบคุมกระแส นั้นกระแสที่อ่อนโยนมีประโยชน์อยู่แล้วนะกระแสที่กระด้างคือสิ่งที่ขวางกั้นสมาธิขวางกั้นคุณธรรมและทำให้จิตเปล่าคนที่จิตกระด้างเนี่ยโกรธง่ายถูกมเนยะโกรธง่ายและก็สงบยากนะเพราะว่ากระด้างบนความกระด้างทำให้เขามีอารมณ์ผ่อนคลายน้อย ความสงบก็จะไม่เย็นความสงบก็จะไม่ลึกเศรษสกขยังไม่ค่อยสดชื่นเลยใจที่กระด้างมากๆเดี๋ยบางทีฟังเพลงยังไม่อร่อยเลยแต่ในยามที่เราอารมณ์ดีๆเนี่ยอยู่ธรรมดาเห็นอะไรก็ดูสดชื่นไปหมดเลยนะเห็นอะไรก็ดูงดงามไปหมดเลยนี่คือกระแสใจพอดีแล้วโลกสวยเลยเขาจึงบอกว่าคนดีเนี่ยทุกเวลานาทีก็คือสวรรค์คนดีเนี่ยนะ พอจะคิดอะไรก็คิดแต่มุมดีๆพอจะพูดอะไรก็พูดแต่เรื่องดีๆพอเห็นอะไรก็รู้สึกดีไปหมดนั้นอารมณ์เขานี่เป็นอารมณ์ชั้นดีไปเลยดัยงนั้นตอนนั้นเรากลิลังอยู่บนสวรรค์เลยโดยยังไม่ต้องตายเลยทันทีเลยอารมณ์ของการปฏิบัติอีกหนึ่งอารมณ์ที่ญาติโยมผู้มุ่งการพัฒนาก็คือไปสร้างปรับพัฒนา ด้านความอ่อนโยนนะตรวจตาตัวเองสิตอนนี้เราอ่อนแค่ไหนละอ่อนแอก็อ่อนโยนนี่เหมือนกันนะไม่เหมือนนะอ่อนโยนเนี่ยมันแข็งแรงนะพออ่อนโยนแล้วมันจะเย็นนิ่งแล้วได้สงบพออ่อนโยนแล้วใจกว้างนะพออ่อนโยนแล้วโลกใสนี่คือมีประโยชน์กับตัวเราเองและทำให้บรรยากาศรอบข้างเนี่ยเย็นตามเราไปด้วย พอเราไม่อ่อนโยนบางทีพาคนในครอบครัวร้อนตามเราได้ไหมได้บ้านร้อนได้ไหมลูกเหนียวจากบ้านได้ไหมได้เหมือนกันบ้านร้อนเพราะว่าพ่อแม่ร้อนเลยเกินอะไรอย่างนี้นั้นถ้าจะดึงทุกสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาสู่บ้านเนี่ยเขาต้องปรับจิตให้สะอาดและอ่อนโยนเรื่องราวดีๆจะเข้ามาแนละ้วอันดับแรกใจเราดีก่อนอันดับสองกระแส ร, รอบข้างจะเย็นตาม อันดับสามสิ่งเป็นมงคลทั้งหลายจะไหลามาไอ้ น, นี่คือกระแสจิตที่ดีนะดังนั้นส่วนที่เป็นกุศลและธรรมนี่จริงๆมีพลังมากเลยทั้งในปัจจุบันที่ทำให้เราสบายใจแล้วก็ทั้งในด้านชะตาที่ทำให้ชะตาเราแข็งแรงและทั้งในด้านเปลี่ยนวิถีชะตาได้ด้วยนะจิตที่วันคืนป้องกันทุกอกุศลทุกบาปธรรมแล้วสร้างแต่กุศลเนี่ยวิถีชะตาเปลี่ยนเลยนะ จิตมันกลายเป็นมหากุศลขึ้นทุกวันเพราะวันคืนอกุศลเกิดไม่ได้มาจะไล่หนีหมดนะและขยันสร้างแต่เรื่องดีๆขยันพัฒนาแต่ความดีงามเนี่ยนั้นเท่ากับวันคืนสิ่งที่งอกงามคือกุศลและอกุศลโผล่ไม่ได้เลยพองอกงามยิ่งขึ้นจากกุศลธรรมดาก็เริ่มกลายเป็นจิตที่มีมหากุศลจิตถึงความเป็นมหากุศลเนี่ยจิตอย่างนั้นมีพลัง พลังที่เปลี่ยนชะตาได้เลยนะเปลี่ยนชะตาได้ถ้าจะมีวิบากร้ายอะไรก็สามารถที่จะเปลี่ยนหนักเป็นเบาได้หรือถ้าเบาบางทีก็หายไปเลยเข้าไม่ถึงเลยดัยงนั้นด้านความสะอาดและด้านความอ่อนโยนเนี่ยเป็นด้านเปลี่ยนชะตาชีวิตเลยและทาให้พื้นจิตนั้นมีความผ่อนคลายแจ่มใสงนั้นผู้ประพัติธรรมจะต้องตั้งใจพัฒนาด้านสะอาด นะกับพัฒนาด้านอ่อนโยนนะอ่อนโยนนี้นะตั้งใจนะจริงๆถ้าทาสำเร็จแล้วมันมีค่ามากนะเราจะกลายเป็นคนที่มีอารมณ์สบายสบายใจกับข้าวไม่อร่อยก็กินสบายนะอยู่ตรงไหนก็ได้นั่งรอใครนานก็ไม่โกรธนะอะไรนี้คือกระแสะอารมณ์มันดีพอดีแล้วก็ดีอันนี้คือด้านพื้นฐาน อีกด้านหนึ่งของผู้ประพฤติ ธ, ธรรมพัฒนาด้านสะอาดแล้วพัฒนาด้านอ่อนโยนแล้วต่อมาก็พัฒนาด้านแข็งแกร่งนะด้านความแข็งแกร่งนะด้านตบะไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมจะใช้แต่ปัญญาอย่างเดียวปล่อยวางได้นี่มันเป็นเรื่องของการต่อสู้ด้วยส่วนแข็งแรงส่วนแข็งแกร่งก็ต้องกระทา นะต้องกระทําส่วนเด็ดเดียวส่วนทุ่มเทส่วนอดทนนะอันนี้คือก็ต้องกระทําฝึกด้านความแข็งแกร่งนะแข็งแกร่งต้องฝึกยังไงเวลนั่งสมาธินะถ้าเรารู้สึกว่าปวดได้เวลาเราจะปวดแล้วเนี่ยนะเราเติมด้านการแข็งแกร่งให้แก่กสักหน่อยฉันจะให้แกปวดอีกสักนานๆสักหน่อยก็ได้ฝนะึกด้านแข็งแกร่งให้แข่งขึ้น เวลาเดินจงกมลมเรารู้สึกว่าเออมันหมดละเออฉันจะต่อให้อีกสักหน่อยฉันจะฝึกความแข็งแกร่งนะฝึกด้านแข็งแกร่งจริงๆรญาติโยมมีด้านแข็งแกร่งมาระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าผ่านชีวิตต้องสู้ฝ่าฟันหลายเรื่องราวได้ละด้านแข็งแกร่งนะทีนี้บางคนแข็งแกร่งทางกายแต่ดันไปเปาะทางจิตทนได้ทุกอย่างแต่ถ้าอะไรเข้าหูขัดนิดเนี่ยไม่ได้เลยอันนั้นเรียกเปราะไหม บางคนแกข่งทางกายแต่เปาะทางจิตนะทีนี้การประพฤติ ธ, ธรรมเนี่ยต้องให้แกข่งทุกทางมันจึงเป็นการปิดกั้นที่สามารถจะเอาชนะและอยู่เหนือนะกิเลส ท, ทั้งอย่างหยาบอย่างประณีดอย่างละเอียดถ้าไม่แกข่งเอาชนะไม่ไดนะ้บางเวลาต้องใช้ความแกข่งถ้าบุคคลมีใจหวันไหวรู้สึกหวาดกลัวกลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้เนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่า ให้ไปฝึกความมั่นคงในสิ่งนั้นอย่างเช่นถ้าคนกลัวผีอะไรอย่างนี้นะก็จะต้องไปสู้กับมัน <c oughs> ไปนั่งสู้กับมันเธอวันไหวตรงไหนเธอจะต้องไปเอาชนะมันให้สาเร็จจนกว่าจะหมดความวันไหวไปนั่งสู้กับความกลัวไปนั่งสู้กับความลำบากไปนั่งสู้นะพอแข็งแกร่งอดทนมั่นคงดีคนนั้นจะทำความเพียรได้นาน คนไหนความแข็งแกร่งน้อยจะทำความเพียนได้น้อยอันนี้เกิดด้านความแข็งแกร่งการหักห้ามและอดทนในหลายสิ่งก็ทำให้แข็งแกร่งญาติโยมเนี่ยต้องฝึกการหักห้ามการห้ามใจมันชอบอะไรเ อ, อวันนี้ฉันไม่ตามใจแกฉันจะฝึกความอดทนนะก็ทนไม่เอาอยู่นั่นแนะทนได้สําเร็จได้แข่งหนึ่งครั้งชนะเขาหนึ่งครั้งนะฝึก ต้องไปเจอเรื่องราแย่ๆกรอกหูเนี่ยบอกว่าวันนี้ฉันจะฝึกความแข็งแกร่งฉันจะไม่โต้อตอบสักคำหนึ่งเนี่ยได้แกล่งฟังไปเลยแล้วก็ฉันจะไม่พูดสวนสักคำหนึ่งเนื้ฝึกความแข็งแกร่งถ้าทนได้ตลอดอย่างนั้นและทนได้อีกสักหลายครั้งเรา แ, ล, แล่งขึ้นั้มแล่งขึ้นนี่คือได้ความแกล่งต่อมาเจออะไรกระทบนิดกระทบหน่อยเนี่ยสบายไห สบายแต่ถ้าโยมไม่ฝึกด้านแข็งแกร่งมันเปล่ะพอเปล่ะแล้วมันเข้าง่ายพอเข้าง่ายแล้วละเหนื่อยเลยดัยงนั้นด้านแข็งแกร่งก็ต้องฝึกบางทีเราเจออะไรกระทบแย่ๆนะ่ยอย่าคิดว่าเราโดนกระทำถ้าคิดอย่างผู้ฝึกตนเขาจะใช้ว่าเออฉันจะลองฝึกกระเธอสักตั้งฉันจะทนแกดูสินะการทนกับเรื่องแย่ๆไม่ยากเท่ากับทนกับสิ่งที่ยั่วยวนยั่วยวนเนี่ยมันไม่ยอมจะทน นะก็ฝึกถ้ายั่วยวนวันนี้ฉันจะไม่ตามใจเธ อ, อยั่วเข้าไปฉันไม่เอาตัดใจงวดนี้ไม่เอาไม่ตามใจนะนี่ก็คือฝึกความแข็งแกร่งต่อมาเราฝึกที่จะหยุดไม่ตามใจหยุดไม่ตามใจหยุดไม่ถือสาหยุดอยู่บ่อยๆอยู่อย่างเงี้ยนานๆเราอยู่เหนือเจ้าจิตได้ไหมได้นี่คือด้านความแข็งแกร่งต้องไปรอสร้างญาณทัศนะก่อน ฝึกเลยนี่คือมุมด้านความแข็งแกร่งคนไหนขยันฝึกเนะี่ยทุกเวลาโยมได้แข็งแกร่งแน่นอนเจอลูกเกเรได้ทนอีกแล้วพอจะทนทีหนึ่งทําไงดีเอาฉันจะฝึกความแข็งแกร่งนี้นี่ไม่โกรธลูกลนะมันนั่งดูตัวเองดูที่มันทนได้แค่ไหนเจออะไรกระทบฉันจะฝึกตะบะถ้าตั้งใจอย่างนี้จะไม่เครียดกับการโดนอะไรเข้าไปนะมันกลายเป็นว่า เมื่อเจอเรื่องแย่ๆฉันนำมาพัฒนาจิตซะเลยมีประโยชน์ไปซะอีกแทนที่จะกลายเป็นเรื่องเดือดร้อนกับกลายเป็นเรื่องฝึกตนนะเจอเรื่องแย่ๆทั้งวันเลยวันนั้นเป็นไงฝึกตนทั้งวันโอ้ไม่น่าเกิดมาเป็นมนุษย์เลยนะเจอทั้งวันแต่ถ้าคนคิดว่าฝึกตนทั้งวันวันนั้นฝ่าฟันมาได้หนึ่งวันเนี่ยกลับมาตรวจตราตัวเองเนี่ยอิ่มใจไหมอิ่มโอ้อิ่ม ผ่านหนึ่งวันได้ต่อมาผ่านได้อีกผ่านไปช่วงหนึ่งจะเป็นบุนคคลที่ไม่กลัวที่จะต้องเจออะไรอีกแล้วนั้นคือแล็งมากไม่กลัวเลยที่จะเจออะไรอีกแล้วนั้นกลืนอายอย่างนั้นจะกลายเป็นคนที่มีปกติคงที่สูงในวันหนึ่งคืนหนึ่งอันนี้คือด้านพัฒนาด้านความแข็งแกร่งอยู่คนเดียวก็มั่นคงเจอสิ่งทิ่มแทงก็มั่นคง เจอสิ่งยั่วยวนก็มั่นคงอยากจะหยุดเจ้าจิตก็หยุดได้อ น, นี้คือพัฒนาด้านความแข็งแกร่งลองดูว่าเราเปราะตรงไหนเราก็ไปแก้ตรงนั้นตรงไหนเราแข็งดีอยู่แล้วเราทําไงกับมันก็ปล่อยมันนี่มันดีอยู่แล้วไปหาไอ้ที่ตรงแย่ๆตรงยังเปราะตรงยังอ่อนตรงที่มันเป็นแผลน่ยโดนนิดชั้นแะย่โดนนิดชันดนนดช้นแย่เนี่ยไปแก้ตรงนั้น ไปแก้ส่วนนั้นให้แข่งซะไปก่อกำแพงตรงนั้นชัดๆแล้วผ่านวันคืนที่เราเริ่มจะคิดสร้างความแข็งแกร่งนี่แหละมันจะได้มุมด้านความแข็งแกร่งเราพัฒนาขึ้นไอ้นี้จิตทั้งสะอาดทั้งอ่อนโยนทั้งแข็งแกร่งโอ้แค่นี้ก็ทับจะสบายไปเยอะแล้วนะยังไม่ทันต้องฝึกสมาธิเลยต่อมา เมื่อเรามีความตั้งใจพัฒนาด้านแข็งแกร่งแล้วเนี่ยจริงๆคือต้องทำนะพระเนี่ยต้องอบรมทุกอย่างเลยนะด้านสะอาดก็คือต้องทำอย่างดีต้องรักษาศีลต้องป้องกันอกุศลอย่างดีด้านอ่อนโยนก็ต้องทำท่านต้องตั้งจิตเมตตาในการไปสู่ที่ทั้งปวงด้านความดีก็ต้องทำเพื่อให้ใจอ่อนโยนกับด้านแข็งแกร่งก็ต้องทาต้องไปสู้ฝ่าฟันกับความยากความลาบาก สู้ฝ่าฟันกับความน่ากลัวนสู้ฝ่าฟันกับธรรมชาติอะไรต่างๆเพื่อใจมันแกล่งมันสู้มันสู้มันสู้มันแกล่งเนี่ยสู้สู้สู้สู้สู้แกล่งไหมแกล้งคือต้องสู้นี่พระเจ้าให้ไปสู้เพื่อดึงความแกล่งเมื่อแกล่งอ่อนโยนสะอาดเนี่ยคนนั้นน่ยแทบจะพึ่งพาตัวเองได้อย่างมั่นคงเลยอยู่ตรงไหนก็ได้แกล่งแล้วนี่ อยู่ตรงไหนก็ได้อ่อนโยนแล้วนี่ทั้งแกล้งก็มีพลังป้องกันตนเองอ่อนโยนก็มีพลังป้องกันตนเองบริสุทธิ์สะอาดก็มีพลังป้องกันตนเองเนี่ยคือสามส่วนเนี่ยทุกคนผู้ปฏิบัติที่แท้จริงต้องไปอบรมให้มีกับพัฒนาด้านความสงบนะด้านความสงบเนี่ยมุมนี้เป็นมุมสำคัญสำหรับคนที่ ต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานคือต้องพัฒนาด้านความสงบให้สำเร็จถ้ายังนั่งฟุ้งอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรดังนั้นคนที่ต้องการบรรลุในเรื่องมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาจะต้องพัฒนาด้านความสงบนั้นให้แข็งแรงเลยจนเป็นผู้มีปกติที่สงบ ในความสงบเนี่ยถ้าจะพิจารณารมอะไรพิจารณาทมไปด้วยใจที่สงบเนี่ยมันมีพลังพิจารณาธรรมด้วยใจสงบสะอาดบริสุทธิ์อ่อนโยนเนี่ยการพิจารณานั้นมันมีพลังนั้นในมุมด้านพัฒนาด้านความสงบเนี่ยผู้ปฏิบัติจะต้องกระทาอย่างไรกันบ้างถ้าในครั้งพุทธกาลนะหนึ่หากรรมาฐานหนึ่งกองในทางสมถะเนี่ย <Yeah. S 1> ในทางสมถะ ถ้าในยุคพุทธกาลพุทธเจ้าก็จะแนะนำกรรมฐานที่เหมาะกับทุกเจริตก็คือการดูลมหายใจนะอาณาปานสติเอาไปฝึกสมาธิการฝึกสมาธิก็มุ่งผลเพื่อให้จิตเกิดความสงบ<ฮ>เกิดความมั่นคงเกิดความตั้งมั่นนะเกิดพลังเกิดพลังดังนั้นในครั้งพุทธกาลสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องการฝึกสมาธิ ถูกไหมต้องฝึกสมาธิดันั้นเราก็จะต้องมีวันคืนที่จะต้องพัฒนาด้านความสงบให้สำเร็จด้านความสงบเนี่ยจะเพิ่มตบะพลังของสมาธิและก็ทำให้กระแสการพิจารณาธรรมเนี่ยลื่นไหลนะและเป็นธรรมชาติเวลาเราพิจารณาธรรมอะไรด้วยใจที่กำลังสงบเนี่ยมันเหมือนไปทั้งอารมณ์ ไปทั้งอารมณ์ไปทั้งความรู้สึกนี่คือการพิจารณาธรรมไปจากจิตที่สงบกับใจที่เรายังไม่สงบเนี่ยพิจารณารมอะไรออกไปเนี่ยมันจะไม่เย็นบางทีร้อนบางทีเยอะบางทีฟุ้งเลยนี่คือไม่สงบนั้นกลิ่นอายความรู้เขาไม่มีพลังมุมด้านความสงบเนี่ยเป็นเป็นมุมนะที่นักบวชสมัยก่อนเนี่ยมีการบ่มเพาะกันให้ชัดเจนเลย หนึ่งสงบจากการปฏิบัติกรรมฐานในทางสมถะกองใดกองหนึ่งกองใดกองหนึ่งเป็นอันมากอย่างเช่นการอยู่กับการดูลมเป็นอันมันมากเนี่ยถ้าเขาอยู่กับการดูลมมากๆทั้งวันเนี่ยใจเขาตัดขาดกับเรื่องภายนอกไหมเพราะเราดูแต่ลมทั้งวันเนี่ยเท่ากับว่าสักแต่ว่าและไม่สนใจอะไรภายนอกเลยนั้นจิตเหมือนถูกกัก บ, บริเวณอยู่กับลมล้วน กลิ่นอายของความรู้สึกสงบเนี่ยมันจะเริ่มมา น, ะนี่คือความสงบที่เขาสร้างจากการอยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมากๆในทางสมถะพอเสพกลิ่นอายความสงบมากๆความรู้สึกสงบเนี่ยก็จะทําให้เกิดความเป็นที่สบายกับคนนั้นด้วยในยามที่เรายัางสงบอยู่เนี่ยจิตก็จะต้องการอะไรไหม ไม่หรอกตอนสงบเนี่ยเขาไม่ต้องการอะไรเลยนะแต่ในยามที่เราเริ่มต้องการหมายถึงเราสงบไหมนะะั่นะมันเริ่มไม่สงบหนิมเราจะไปโน่นไปนี่ไปนั่นวิง่งออกไปเรื่องนั้นนั่นคือไม่สงบในภาวะที่เขาดึงความสงบได้เนี่ยจิตมันจะอยู่กับพี่ไม่ไปไหนไม่คิดถึงอะไรไม่ต้องการอะไรนี่คือความสงบมันกลายเป็นเครื่องอยู่ได้เลยที่ใจกาลังสงบอยู่เนี่ยนั้นมุมหนึ่ง เมื่อสงบมันได้ความทรงตัวที่ผ่อนคลายสองมันได้ความแจ่มใสพอใจสงบเนี่ยจะคิดพิจารณาอะไรมันแจ่มใสจะมองอะไรมันแจ่มใสพอสงบมันได้ความแจ่มใสในด้านหนึ่งนะพระหรือคนที่ปฏิบัติเนี่ยต้องพัฒนาด้านสงบถ้าสงบไม่ได้ไปพิจารณาทำอะไรเนี่ยมันจะออกแนวฟุง้ง พิจารณาอนิจจังยังไงก็ไม่ปลองอ น, นั้นด้านสงบเนี่ยต้องทำให้มีอยู่เป็นแข็งแรงหรือเป็นอันมากเลยให้สำเร็จเลยนะกลิ่นอายความสงบเกิดขึ้นจากการเสพการทำสมาธินี่คือข้อหนึ่งกับกลิ่นอายสงบเกิดขึ้นจากการนาพาตนปลีกไปอยู่ด้วยภาวะที่ไม่คลุกคลีกับใคร เพื่อให้กลิ่นอายตัวเองสงบขึ้นก็นลดการคุกคีนะกับลดระดับการพูดคุยนะไม่คุยกับใครใครจะครบไหมนะลดระดับการพูดคุยเพื่อดึงกลิ่นอายสงบลดระดับการคุกคีเพื่อดึงกลิ่นอายสงบนะและก็ฝึกการประคองนะสติสัมปชัญญะให้อยู่กับตัวไม่ให้ออกไปนะถ้าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะ มีระดับการควบคุมอยู่กับตัวเป็นอันมากเลยไม่ยอมให้หลุดออกถ้าเคลื่อนไหวก็ดูกายเคลื่อนไหวถ้าจะนั่งก็ดูเขานั่งถ้าจะเดินจะยืนก็ดูเขาเดินยืนไม่ให้หลุดไม่เกาะอริยบทก็ดูความรู้สึกของจิตไม่ดูความรู้สึกของจิตก็ดูลมวนอยู่เนี้ยไม่ดูลมก็ดูความรู้สึกของจิตไม่ดูความรู้สึกของจิตก็เกาะอริยบทไม่ให้หลุดไปไหนเขาอยู่แค่เนี้ยหมายถึงว่าเขารับเรื่องอะไรในโลกเข้ามาไหม ไม่เนี่ยเขามีกระแสอะไรเข้ามาแทรกแซงไหมก็ไม่นั้นกลิ่นอายของใจมันได้เสพความสงบสูงอ น, นี้คือคือมุมหนึ่งด้านสงบเมื่อคนทรงพื้นความสงบได้ดีความจาใสของจิตจะสมบูรณ์ดีดังนั้นผู้ประพฤติ ธ, ธรรมเนี่ยต้องพัฒนาด้านสงบขณะที่เราควบคุมวาจาควบคุมการพูดการกระทำให้สะอาดเนี่ยมันสงบขึ้นไหมสงบขึ้นนะ นี่คือได้สงบในระดับหนึ่งแล้วละเอียดไปถึงการควบคุมการคิดถ้าเราอยู่กับกรรมฐานเนี่ยการคิดมัญจะน้อยการคิดน้อยก็ยิ่งสงบไปอีกและพอสงบได้กระแสนิ่งจะเกิดกระแสนิ่งที่เกิดเนี่ยมันจะหน่วงตรึงนะให้จิตเนี่ยสามารถประคองอยู่กับการหน่วงตรึงบนความนิ่งได้ตลอดเลยนั่งก็ยังรู้สึกนิ่งเดินก็รู้สึกนิ่ง ทำอะไรก็ยังเห็นความนิ่งไปอยู่ตลอดการกระทำเนี่ยจิตแทบจะไม่มีการเคลื่อนตัวไปคิดอะไรเลยนั้นกิ่นอายอย่างนั้นเนี่ยสงบสูงนะนั้นผู้ประพฤติธรรมจะต้องพัฒนาด้านสงบเมื่อจะพัฒนาด้านสงบก็ต้องระวังด้านที่ชวนให้มันไม่สงบคือปิดกั้นหนึ่งด้านที่ถ้าตัวเอง ไปเกี่ยวข้องเสพสิ่งเ พ, เ พ, เพลิดเพลินหรือคุกคีมันจะทาให้จิตนั้นสูญเสียกระแสสงบเนี่ยเขาก็จะระวังด้านนั้นหรือรัดกลุ่มด้านนั้นเนี่ยพี่จะลดลงมาลดลงมากับพยายามที่จะเสพการทำสมาธิให้ถึงจุดที่สงบให้สาเร็จนะใหม่ๆนั่งแล้วยังสงบได้ไม่สาเร็จเนี่ยเราก็ไปฝึกเยอะๆนะสมัยก่อนเขาฝึกเยอะๆ ฝึกเพื่อให้เกิดความนิ่งได้ถ้านิ่งมั่นคงได้ถอยจากความนิ่งเนี่ยมันจะรู้สึกสงบเลยนะคนใครไหนทําสมาธิเนี่ยนั่งเฉยนิ่งพอออกจากสมาธิจะรู้สึกว่าสงบเย็นนะพูดยังไม่อยากพูดเลยนะคิดยังไม่อยากคิดเลยบางทีฟังยังไม่อยากฟังเลยนั่นคือสงบมากสงบแล้วกลิ่นอายของเขาเนี่ยเขาจะตรึงอยู่กับตัวไม่อยากเคลื่อนขยับเลยละ น้นกลิ่นอายอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้บำเพ็ญภาวนาเนี่ยต้องอบรมนะกลิ่นอายการเป็นผู้สงบถ้าปฏิบัติธรรมแล้วไม่ยอมสงบเนี่ยยอมจะรู้เลยว่าคนนั้นปฏิบัติธรรมก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าปฏิบัติธรรมยังพูดเยอะอยู่เลยอย่างี้ก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าพอปฏิบัติธรรมแล้วพอเห็นนะดูเขานิ่งจังเลย คิดมากเลยทําไมนิ่งจังเลยนี่ก็คือว่าปฏิบัติแล้วก้าวหน้านะในด้านความสงบเนี่ยหนึ่งเกิดจากศีลที่ดีทําให้เย็นขึ้นเยอะเพราะการพูดการกระทําการคิดมันถูกควบคุมเกิดจากตบะสมาธิที่เกิดจากการประคองอยู่กับอริยบทบ้างอยู่กับลมบ้างอยู่กับในตัวล้วนๆเนี่ยไม่ปล่อยออกเนี่ยก็ทําให้เขาสงบ อยู่กับการพาตนออกจากแวดล้อมที่วุ่นวายบ้างนี่ก็คือก็ทำให้สงบนี่กินอายสงบระดับนี้ก็ได้สงบในชั้นที่นะทรงตัวในแบบหนึ่งมันมีสงบกว่านี้คือสงบในชั้นของการปล่อยวางจางคลายไอ้นี้คือสงบในชั้นของการทําลายกิเลสเลยตรงนี้เป็นความสงบเย็นปโปรง่ง เป็นธรรมชาติกับสงบนิ่งที่ผสมผสานการต้องประคองและควบคุมอ้ น, นี้สงบจากศีลและสมาธินต้องต้องประคองและควบคุมถ้าหยุดประคองควบคุมเนี่ยมันสลายได้ไหมสลายได้นั้นความสงบอย่างเงี้ยจึงยังไม่ทรงตัวนะถ้าต้องการระดับ ความสงบที่ทรงตัวเป็นปกติภาวะเลยเนี่ยคือการทำให้จิตนั้นสะอาดบริสุทธิ์อย่างแท้จริงให้สำเร็จนะการรักษาศีลทำให้จิตสะอาดระดับหนึ่งมาทำสมาธิก็สะอาดอีกระดับหนึ่งจเจริญวิปัสสนาเนี่ยทำลายราคะโทสะโมหะจริงๆเข้าไปเนี่ยก็ได้ระดับสะอาดอีกระดับหนึ่งในทุกความสะอาดจะได้ความสงบด้วย นะในทุกกรามสะอาดได้ทั้งความสงบได้ทั้งความอ่อนโยนได้ระดับปลอดโปร่งที่ไม่เท่ากันปลอดโปร่งจากศีล น, นี่คือระดับหนึ่งนะสะอาดเย็นด้วยศีลเนี่ยขั้นหนึ่งสะอาดเย็นด้วยสมาธิเนี่ยขั้นหนึ่งมันมันแน่นกว่ามันละเอียดกว่านะสะอาดเย็นด้วยภาวะของการปล่อยวางจางคายและหมดความยึดมั่นทุกสิ่งในโลกเนี่ย อีกระดับหนึ่งแต่ในทุกระดับมันให้ความสงบชีวิตก็จะต้องเข้าถึงความเป็นผู้สงบนะพอถึงความสงบแล้ววาจาสงบไหมวาจาก็สงบการกระทําก็สงบความคิดก็สงบความรู้สึกก็สงบสงบอย่างงั้นสบายไหมสบายเนาะทีนั้นกลิ่นอายความสงบก็เป็นสิ่งที่เราต้องทําีนั้น ถ้าเรากำลังไม่สงบอยู่เราก็รู้ว่าเราต้องทำยังไงดีกับชีวิตฉันต้องพัฒนาด้านสงบนะด้านนี้ฉันต้องทำจะพัฒนาด้านสงบอาจจะเริ่มจากง่ายๆก่อนคือฉันจะลดระดับการพูดนะให้พูดน้อยลงหน่อยกนะับฉันจะลดระดับการคุกคีถ้าคุกครีเดี๋ยวโดนชวนคุยลดระดับการคุกคีหรือถ้าคุกคีเดี๋วเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้าหูเต็มไปหมดเดี๋ยวไม่ค่อยสงบนี่คือฝึก กับเดี๋ยวฉันจะลองปลีกไปอยู่คนเดียวเนะีเสพกลิ่นอายความสงบจากธรรมชาติก่อนในที่ที่ไม่มีใครเนี่ยธรรมชาตินั้นมีกลิ่นอายความสงบนะถ้าเราเข้าไปในที่สงบอันนั้นความสงบของธรรมชาติเนี่ยสามารถเข้ามาถึงความรู้สึกเราได้ที่เราพร้อมจะเกิดความสงบได้จากธรรมชาติด้วยอันนี้คือธรรมชาติช่วยได้นะนี่คือมุมให้สงบ ต่อมาก็ขยันที่จะฝึกสมาธินะีก็จะสงบอันนี้คือมุมด้านสร้างความสงบจําเป็นนะแหนยมปฏิบัติรรเนี่ยหนึ่งพัฒนาด้านสะอาดพัฒนาด้านอ่อนโยนพัฒนาด้านแข็งแกร่งพัฒนาด้านสงบกลับบ้านดีกว่าเยอะเหลือเกินนะแต่จริงๆก็ต้องทำทั้งหมดอ่นะเขาก็ต้องทาทั้งนั้น ต่อมาพัฒนาด้านการปล่อยวาง mm. พระเจ้าบอกว่า mm. ให้มีวันคืนที่บุคคลนั้นฝึกทําจิตให้ปล่อยนะเราชินที่จะยึดมั่นจริงๆังเขาให้ฝึกทําจิตให้ปล่อยนะฝึกทําจิตให้ปล่อย mm. การฝึกทําจิตให้ปล่อยมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะก่อความเบาบางในภายในได้ นะปล่อยเห็นอะไรฝึกปล่อยได้ยินอะไรฝึกปล่อยทราบอะไรฝึกปล่อยรู้สึกอะไรฝึกปล่อยรู้เข้าใจอะไรละเอียดยิบเลยก็ปล่อยมืางทีก็ต้องบอกเออรู้แค่นี้นะฉันไปยึดมั่นถือมั่นมันมันอาจจะไม่รู้จริงก็ได้นะถ้าฉันพอใจเธอเดี๋ยวฉันหลงตัวเองตายเลยมึงดีสอนตัวเองฝึกปล่อยปล่อยทุกอย่างเห็นอะไรฝึกปล่อยนั่นมันงามเหลือเกินเอาวางไว้นั่นแหละ งามอย่างนี้เดี๋ยวก็เก่าฝึกปล่อยนะไพเราะแล้วเกินเออเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เบื่อลองไพเลาะฟังแล้วหลายรอบเดี๋ยวก็เบื่อฝึกปล่อยเจออะไรลองปล่อยเลยฝึกปล่อยฝึกปล่อยฝึกปล่อยนะเมื่อฝึกปล่อยมันจะเกิดการฝึกการสักแต่ว่าละทีเนี้ยเมื่อเราฝึกปล่อยมันจะเข้ามาในใจไหมเข้าไหมไม่เข้าเมื่อไม่เข้าก็ไม่รกนะคนเราชินที่จะน้องไปเกาะ นี่คือความเคยชินในการปฏิบัติที่จะทำให้บุคคลนั้นกลายเป็นผู้เบาบางเพื่อง่ายต่อการทำลายกิเลสให้สําเร็จเนี่ยเขาจะต้องผ่านวันคืนที่ฝึกปล่อยด้วยนะคนที่มีใจอ่อนโยนสะอาดบริสุทธิ์เป็นพื้นแล้วเนี่ยคนนั้นปล่อยง่ายไหมง่ายไม่ได้กำไรใช่ไหมพอได้ใจอย่างนี้เข้าไปเนี่ยมีพลังปล่อยเลยเห็น อ, <He S 2> อะไรก็ยิ้มยิ้มปล่อย รู้สึกอะไรก็ปล่อยอย่าปานีดลองฝึกปล่อยเนี่ปล่อยรู้แล้วปล่อยอ่ยยกให้อะไม่เป็นไรยกให้อะไม่มีกันสารอย่าเก็บมาเลยอ่ะเป็นเรื่องร้อนเออให้เขาร้อนไปเถอะนี่คือฝึกปล่อยการทำในใจฝึกปล่อยฝึกปล่อยฝึกปล่อยฝึกปล่อยฝึกป่อยนานๆจิตจะกว้างนานๆจิตจะว่างและพื้นที่ของใจจะไม่มีเรื่องลกเข้าไปฝังลึกนี่คือการฝึกปล่อย นั้นการฝึกปล่อยนี่ก็มีข้อจําเป็นที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีจิตที่ว่างมากเลยจิตที่ว่างมากดังนั้นข้อนี้พระเจ้าก็ให้ไปฝึกทำจิตให้ปล่อยฝึกทำจิตให้ปล่อยรู้จักปล่อยไหมรู้จักถือสาไหมเออถือรู้สิเคยถือษาชาวบ้านไหมนั่นน่ะให้ปล่อยถ้า <laughs> ถือษาฉันปล่อยงวดนี้ฉันจะปล่อย นะงนนื่ น, ง น, นี้ฉันปล่อยงื่นี้ฉันปล่อยนี่คือฝึกปล่อยเห็นอะไรฝึกวางไว้เลยทิ้งไว้ตรงนั้นหละได้ยินอะไรนะบาดหูหรือเกินวางไว้อย่างนั้นแหละนะให้บาดตรงหูอย่าเข้ามาลึกเลยเดี๋ยวคาใจยันเช้าไม่เอาฝึกปล่อยนั้นฝึกทำจิตให้ปล่อยฝึกปลงเลยฝึกตัดเลยฝึกวางเลยเนี่ยการฝึกอย่างนี้จะทาให้พื้นที่ของใจนั้นว่าง คนที่ปฏิบัติเนี่ยก็ต้องมีมุมฝึกทำจิตให้ปล่อยมเสียงโทรศัพท์เกิดขึ้นก็ปล่อยไม่ถือสาม im, ไม่ปล่อยไม่ถือสาทำจิตให้ปล่อยถ้าเราฝึกทำจิตให้ปล่อยบ่อยๆนานๆเราจะเจออะไรก็ได้ชีวิตอย่างนั้นเป็นทุกข์ได้ยากมากกับคนเจออะไรก็ไม่ได้อย่างเงี้ยทุกข์ง่ายไหมง่าย คนบางคนน่รู้นะว่าถ้าต้องปล่อยถ้ายึดถือเราต้องทุกข์แต่ก็ปล่อยไม่ลงอ่ะเพราะไม่เคยฝึกปล่อยถ้าไม่เคยฝึกปล่อยไม่ลงทั้งที่รู้ว่าต้องปล่อยนะดังนั้นคนจะปล่อยลงเนี่ยเมื่อเขาต้องเริ่มฝึกปล่อยมาคนฝึกปล่อยได้เนี่ยเขาจะไม่ใช่ว่าเอะอะก็ปล่อยบางทีต้องใช้ปัญญามาช่วย มาบอกว่าเออจะไปเก็บไว้ทําไมให้ลบสมองหนอะนะไอ้เรื่องอย่างนี้ก็เยอะแยะอยู่แล้วหนอวางดีกว่าอันี้มันก็ร้อนเกินไปหนอเอาเข้ามาทําไมเนี่ยนี่ก็ฝึก ป, ปล่อยมางทีเอาปัญญามาช่วยหน่อยการทำบ่อยๆหนึ่งพัฒนาด้านความว่างสองพัฒนาด้านปฏิภาณปัญญาให้เกิดขึ้นได้นะและพัฒนาด้านกระแสใจให้กว้างให้โป่งนี่คือการ ฝึกทําจิตให้ปล่อยนะโยมยไปปล่อยนะบางคนเออฉันปล่อยบางเรื่องแต่บางเรื่องยังไงฉันก็ไม่ยอมปล่อยนะนั้นฝึกปล่อยความยึดมั่นจริงจังให้ได้กับทุกเรื่องเลยทั้งหยาบประนีตและะเอียดทั้งภายในภายนอกทั้งสิ่งที่เห็นที่ฟังที่ทราบที่รู้ที่รู้สึกหรือแม้ที่รู้แจ้งนี่คือฝึกทําจิตให้ปล่อย รู้อะไรอยู่เอา้าดูเขาเฉยๆเยีบๆเออแกไม่ใช่ของฉันดูที่แกจะเกิดของแกได้แค่ไหนเเดี๋ยวแกก็จะดับไปของแกนี่ก็ดูเฉยๆฝึกทําจิตให้ปล่อยนะปล่อยกิริยาของจิตปล่อยกระแสปล่อยความรู้สึกปล่อยความรู้ที่คิดว่ามันฉลาดแล้วเกินเนี่ยเออฉลาดแค่เนี้ยคนฉลาดกว่าฉันก็คงมีอย่าพึ่งเมาตัวเองเลยฝนะึกทําจิตให้ปล่อยเนะี่ยบอกตัวเองถ้าปล่อยก็อย่างนี้มันเข้าตัวไหม ไม่มีอะไรเข้าตัวเลยตัวก็ยังบริสุทธิ์ผุดพองอยู่นะนี้คือการทำจิตให้ปล่อยต้องรอเอาสมาธิแข็งแรงก่อนั้ยต้องรอวิปัสสนาก่อนั้ยปล่อยไปเลยนะอันไหนปล่อยได้ปล่อยไปก่อนอันไหนลึกๆเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอันไหนปล่อยได้ปล่อยก่อนอันนี้คือขั้นฝึกทำจิตให้ปล่อยฝึกให้ชินฝึกให้ชินคนไหนปล่อยง่ายๆคนนั้นใจสูง ปล่อยไปบ่อยใจกว้างนะปล่อยแล้วไม่ใช่ว่าไม่ได้อะไรนะหนึ่งใจกว้างใจสูงใจเย็นใจแข็งแรงแล้วก็มีปกติใจที่เป็นทุกข์ได้ยากนี่คือประโยชน์ของการฝึกการทำจิตให้ปล่อยนะไปฝึกนะโอ้ฝึกเยอะเหลือเกินพัฒนาด้านสะอาดก็จะแย่อยู่แล้ว พัฒนาด้านอ่อนโยนเข้าไปอีกต้องมานั่งสู้กับมารณ์ตัวเองอุตสามีตั้งนานพัฒนาด้านความแข็งแกรง่งพัฒนาด้านความสงบแล้วก็พัฒนาด้านการปล่อยปลงฝึกทำจิตให้ปล่อยต่อมาพัฒนาด้านความรอบรู้ในธรรมอันนี้ไปสาคัญแล้วพัฒนาด้านความรอบรู้ในธรรมความรอบรู้ในธรรม ที่มีสาระจะต้องเป็นไปเพื่อให้จิต like คลายความต้องการทุกสิ่งในโลกได้นะการละความต้องการเนี่ยนึกแล้วยากไหมละความอยากไม่รู้ไม่แน่ใจนะละความต้องการทุกสิ่งในโลกนะทำลายตัณหานิพพานอยู่ที่ตรงนั้นนิพพานอยู่ที่ความสิ้นตัณหาความต้องการจะมีจะเป็นจะได้ความต้องการสิ่งนั้นต้องการสิ่งนี้เนี่ย ต้องทำลายให้เกลี้ยงเลยโอ้แล้วจะอยู่ยังไงนะทำลายความต้องการถ้าคิดว่าละความต้องการเนี่ยโยมจะรู้สึกว่าโอ้โหมันหนักหนาแต่จริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้ละความต้องการอย่างนั้นหรอกท่านให้ปฏิบัติจ น, จนกว่าจิตจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าต้องการเลยหนอพอจิตเขารู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าต้องการเลยหนอเนี่ยความต้องการมันถูกละไหมละ นะไม่มีอะไรน่าต้องการเนี่ยคือมันก็จะไม่เอาอะไรกับการที่ละความต้องการเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนไปนั่งสู้กับมันเลยเหมือนไปนั่งเอาชนะมันเลยเขาไม่ได้ไปนั่งเอาชนะกันแบบนั้นเพียงด้านเดียวเขาจะพัฒนาสอนเจ้าจิตเติมความรู้ให้เจ้าจิตนะจนจิตเข้าใจและรู้สึกใหม่ในเขตความรู้ จนเขาเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าไม่มีอะไรน่าต้องการเลยไม่มีอะไรน่าเอาน่ามีน่าเป็นเลยเพอจิตรู้สึกอย่างนั้นเองเนี่ยความไม่ต้องการของเราเนี่ยมันถูกทำลายและจิตก็เย็นลงด้วยเนยะเย็นเพราะจิตเขาคลายเองจิตเขาไม่เอาเองนะการละความต้องการแบบเมื่อเหมือนเด็กเคี้ยวอะไรอยู่ในปากแล้วบอกว่าเอาออกมาเดี๋ยวนี้ ไอ้นั่นไม่ดีเอาออกมาจะปากเด็กก็ไม่รู้่เขาก็ต้องฝืนเอาออกให้เอาใส่ปากใหม่เอาออกไหมเดี๋ยวนี้เอาออกไม่หยุดหรอกแต่ถ้าเด็กเนี่ยเริ่มเข้าใจเหตุผลชี้โทษได้ฟังจริงๆเสร็จแล้วเด็กเขาคายออกเองอย่างงี้อันไหนมั่นคงกว่าคายออกเองดึงออกจากปากเด็กมันก็ใส่อีกแต่คายออกเองเนี่ยจบเลย การศึกษาปฏิบัติมันจะต้องมีมุมการสร้างความรู้ในชั้นที่จะทำให้จิตรู้สึกได้ว่าไม่มีอะไรน่าต้องการเลยรู้สึกอย่างนี้เท่านั้นเขาจึงไม่เหลือสิ่งจะต้องการในภาวะที่ไม่เหลือสิ่งจะต้องการนั้นคือความสิ้นตัณหาที่ตรงนั้นและจึงเป็นความหยุดเย็น โดยแท้จริงของใจโดยไม่ได้มีการข่มบังคับใจเลยเพราะใจเขาคลายเองนะตรงคลายเองเขาใช้คําว่าวิราคธรรมเข า, เข า, ค, ล า, เเาคลายเองเพราะรู้ชอบนะี่คลายเองเขารู้ชอบนะไปรู้อะไรมันถึงคลายเนี่ยก็ต้องไปอีกมันรู้อะไรถึงคลายทำอย่างไรให้จิตเขาไปรู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าต้องการเลยนะถ้าในมุมแบบนี้ พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ให้ไปสร้างความรู้นะไปบ่มเพาะความรู้จะต้องเป็นความรู้ในมุมที่จะต้องเห็นว่าสิ่งที่ตนชอบตนต้องการเนี่ยมันไม่มีแก่นสารเลยนะมันเหมือนของว่างเปล่ามันมีแต่โทษภัยเต็มไปหมดมันมีแต่ความแปลปลวนมันมีแต่สิ่งที่บังคับไม่ได้มันเป็นของชั่วคราว มันมีคุณนิดเดียวเนี่ยก็จะไปมุมนี้อยู่ดีพุรธเจ้าก็จะให้ไปอบรมบ่มเพาะการมองชีวิตเนี่ยเจ้าชีวิตเนี่ยขันธ์ทั้งห้าเนี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและก็โลกภายนอกรูปสิ่งกฤฤฤฤฤิจลดผิตภัธรรมลมให้เห็นให้ได้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่มีกันสารอย่างไรมีโทษภัยอะไรไม่น่าต้องการอย่างไร บังคับไม่ได้อย่างไรนี่คือมุมแบบนี้ใช่ไหมเปิดะาตบีดอกกี่เล่มก็เจอแบบนี้ทีนี้ขนาดพูดอย่างเนี้ยมองว่ามันมีโทษภัยอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรบังคับไม่ได้อย่างไรฟังแล้วยังเฉยเลย <c oughs> แล้วฟังยังไงแล้วจิตมันจึงรู้สึกไม่เฉยมันรู้สึกลึกซึ้งจนรู้สึกไม่น่าต้องการมันยากตรงนั้นละ่ะมันต้องใช้ใจที่อ่อนโยนมากสงบมาก และตามมองอย่างชาญฉลาดในการที่จะมองชีวิตให้เห็นโ่้โหมีแต่โทษทั้งนั้นเลยมองสิ่งต่างๆอย่างเช่นเห็นรถงามนะรถใหม่ใหญ่โตรู้สึกชอบอยากได้ติดใจเนี่ยทำไงดีพิจารณาเออใหม่เสร็จนะใช้ได้สองปีตกรุ่นหายอีกแล้วได้ใหม่ซื้อมากว่าจะยืนแทบตายได้มาเอาเดี๋ยวตกรุ่นอีกแล้วหาใหม่เหนื่อย ไม่ต้องง่ายๆแค่โทรศัพท์เนี่ยใหม่ได้สองทีตกรุ่นถือไปขอหาว่าเฉยอีกล้ซื้อใหม่อีกแล้วพอใหม่สวยอีกใช้ไม่กี่เดือนตกรุ่นต้องซื้อใหม่เดี๋ยวหาว่าเฉยเหนื่อยไหมพอทุกสิ่งมันมีความไม่เที่ยงแล้วเนี่ยมันทําให้เราเหนื่อยได้เยอะมากแล้ววุ่นวายเยอะมากอันนี้คือมุมของการมองมองให้เห็นโทษภัยนะโทษภัยของสิ่งที่เราชอบ มองให้เห็นความแปลบวนเปลี่ยนแปลงเนี่ยแค่พูดยังไม่อยากฟังเลยมองโทษไปเนะี่ยแต่ที่สุดก็ต้องมาอย่างนั้นพอพิจารณาจนเห็นว่าอืมไอสิ่งนั้นก็แค่นั้นเองเดี๋ยวก็ต้องแปลบวนเดี๋ยวได้มาใหม่สักพักหนึ่งเดี๋ยวแก่ก็เก่าอีกละนะก็อย่างนั้นงั้นก็ใช้แค่ประโยชน์ก็พอละพอจิตขนาดนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันเย็นไปเยอะมันลดไปเยอะหาเหตุผลให้ตัวเองเข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่มีการสารสิ่งนั้น มีโทษภัยอะไรสิ่งนั้นเนี่ยมีแต่ความแปลปรนเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นอย่างเช่นอยากได้รถมาสักคันหนึ่งเนี่ยตั้งใจอย่างดีเก็บเงินมาตั้งนานนะไปซื้อมาได้สมใจนะขับไปได้ยังไม่ทันไรจอดไว้นะเข้าห้างออกมาเอารถหาย <c oughs> แล้วทีนี้เป็นไง พอคิดวนะ่าถ้าได้มาแล้วจอดแล้วหายทำยังไงถ้าได้มารถมาเฉี่ยวอีกแล้วทํำยังไงถ้าได้มาสองสาปีมีรุ่นใหม่เกิดมาแล้วมันตกรุ่นแล้วทําไงคิดหาโทษเยอะๆทีนี้อยากได้รถไหมไม่อยากได้อะไรเงี้ยดีไหมคิดแบบนี้ประหยัดตังค์ไปเยอะเลยนะเนี่ยคิดได้กับทุกเรื่องเมื่อเอาความไม่เที่ยงใส่เข้าไปแล้วแล้วก็สิ่งนั้นไม่น่าต้องการเลยมาหาเหตุผลสนับสนุนความไม่เที่ยงเข้าไปสิ่งนั้นไม่น่าต้องการเลย ได้เสื้อผ้าใหม่ขยันใหม่เออเดี๋ยวแกก็เชย อ, อีกลว้วิ่งตามเหนื่อยเลยที่สุดใส่ธรรมดาดีกว่ามีค่าเท่ากันเพราะเดี๋ยวมันก็ตกรุ่นอะไรอย่างนี้ก็พิจารณาแค่ให้สะอาดแค่ใช้ได้หรือใส่ให้คนชมเออแกชมยังไงแ ค, แค่พอใจหน่อยเดียวแต่ฉันเหนื่อยแทบตายเพื่อให้แกชมรู้สึกไร้สารละเลิศเกินเนี่ยฉันเป็นตัวของตัวเองดีกว่าฉันอยากใส่อะไรฉันก็ใส่พิจารณาอะไรก็ได้ให้จิตนั้นคลายความต้องการ ขายความรู้สึกหน้าต้องการอันนี้คือหลักของการพิจารณาในมุมหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนสั่งก็คือท่านให้พิจารณาเห็นว่าชีวิตหรือโลกหรือทุกสิ่งที่คนต้องการเนี่ยไปมองซิว่ามันมีโทษอะไรบ้างไปมองให้เห็นที่ว่าสิ่งที่คุณต้องการทั้งหลายแหล่เนี่ยมันมีความแปลปรนเปลี่ยนแปลงในนั้นอย่างไงเมื่อมันมีความแปลปรนเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณจะต้องเดือดร้อนอะไรกับมันได้บ้าง ไปนั่งควานหาอยู่อย่างเงี้ยเห็นโทษภัยเยอะแยะไปหมดใจแต่เดิมเคยชอบมากเนะี่ยกลายเป็นชอบน้อยได้ไหมได้แล้วขยันมองหาโทษภัยกับทุกเรื่องเลยที่อยากจะได้เนะี่ยต่อมาก็จะรู้สึกเออไม่รู้จะเอาอะไรดีมองอะไรก็ไม่เที่ยงไปหมดมองอะไรก็น่ากลัวไปหมดได้มาก็ไม่แน่นอนอุตส่าห์จะซื้อบ้านมานี่ถ้าซื้อเสร็จกลับไปทางานกลับมาบ้านอ้าวโดนไฟไหม้แล้วทาไงเนะี่ยคิดอย่างนี้อยากได้บ้านใหม่ไห ไม่อยากได้คือพิจารณาอะไรถ้าเอาความไม่เที่ยงไปจับแล้วนะคะนะมันสามารถให้ความรู้สึกว่ามไม่น่าต้องการเลยนะนั้นมุมของการพิจารณาทำเนี่ยในมุมหนึ่งท่านให้พิจารณาเพื่อให้มองหาโทษภัยเยอะๆมองให้เห็นให้ได้ว่าสิ่งนั้นเน่เป็นเหมือนของว่างเปล่าอย่างไรมองให้เห็นให้ได้สิ่งนั้นมีความแปรปรวนตลอดเวลาเลยนะ เช่นได้อะไรมาใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่ได้มาปุ๊บเนี่ยแปรปรวนไหมแปรปรวนนะได้เสื้อใหม่มาวันแรกโ ด, ดนหนามเกี่ยวขาดเลยทีนี้นะเกี่ยวขาดได้ไหมได้เอองั้นไม่เอาดีกว่าใช่สุดเก่าดีกว่าพิจารณาอย่างนี้ให้เห็นโทษภัยนะความไม่เที่ยงเมื่อมีอยู่กับอะไรสิ่งนั้นไม่น่าต้องการเลยเพราะว่าไม่แน่นอนเลยว่าอะไรจะเกิดกับมัน และความไม่เที่ยงเมื่อมีอยู่กับอะไรสิ่งเหล่านั้นถ้าเกี่ยวพันด้วยแล้วเนี่ยต้องมีแต่ความกังวลยมได้อะไรมาใหม่ๆเนี่ยยมกังวลไหมกลัวเขาจะช้ำไหมกลัวกลัวเขาจะหายไหมกลัวกลัวเขาจะยืมไหมกลัวตรงใหม่ๆนี่ยังห่วงอยู่ดังนั้นในความกลัวเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรหรอกเพราะสิ่งนั้นยังไงมันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วนะความไม่เที่ยงทําให้คนกังวลกังวลนี้มีความสุขไหม ไม่มีความสุขแต่ถ้ามันไม่มีสิ่งนั้นมันต้องกังวลไหไม่ต้องกังวลงั้นไม่มีดีกว่าฉะนั้นการพิจารณาทำเพื่อให้เห็นว่าไม่มีอะไรน่าต้องการเลยนั่นหละมันทำให้ใจคลายความต้องการไปเยอะเมื่อคลายความต้องการไปเนี่ยเราต้องเหนื่อยไปหามันมามะไม่ต้องเหนื่อยพอไม่ต้องไปเหนื่อยหามันมาเนี่ยเราอยู่เย็นมะ ยนะอยู่เย็นเป็นนิพพานเลยใครมีอะไรกันเต็มไปหมดฉันไม่มีเออดีฉันไม่ต้องกังวลดูเขาบีไปดีกว่านะเป็นอย่างนั้นนะทีนี้เราก็จะรู้ว่าการใช้ชีวิตในชั้นที่หาความสุขจากความสงบเนี่ยจริงๆเขามีพลังกว่าความสุขที่เกิดกลัวกับการต้องกังวลกับการต้องรักษากับการต้องประคองกับการต้องเติมอยู่เรื่อยๆไม่จบ ความต้องการน่ยไม่มีจบหรอกพอโยมต้องการแล้วถึงจะวิ่งตามใจเขานะพอตามใจเขาเนี่ยเจ้าจิตเนี่ยไปอยู่กับสิ่งนั้นได้ไม่นานเลยเดี๋ยวมันก็เบื่อนะโยมได้อะไรมาใหม่อยู่กับเขานานๆโยมจะเบื่อพอเบื่อแล้วเจ้าจิตเขาจะทําไมอีกเขาจะต้องการอันใหม่นะต้องการเดอ๋ก็วิ่งตามเขาไปอีกนะตามใจเขาอีกพอได้มาอีกเดี๋ยวเขาก็เบื่ออีกแล้วก็วิ่งตามไปอีกไม่จบแน่นอนเย็นไม่ได้หรอกนะ บางทีการตามใจเขาต้องพัวพันให้เราต้องไปทําอะไรเยอะแยะไปหมดเลยหรือบางทีทําให้เราต้องโกหกด้วยต้องไปทําผิดด้วยเพื่อให้ได้ตามใจไอ้เจ้าความต้องการเนี่ยต้องไปทําบาปทํากรรมทําห้เพราะไอ้เจ้าความต้องการเนี่ยต้องลากเราเข้าคุกเพราะไอ้เจ้าความต้องการเนี่ยต้องทําให้เราขัดใจกับเพื่อนเพราะไอ้เจ้าความต้องการเนี่ยความต้องการจริงจรน่ากลัวนะแต่ถ้าใครกํำราบมันอยู่เปลี่ยนเจ้าจิตเสียใหม่ให้มันไม่ต้องการอะไร สบายไหมไม่ต้องแข่งขแข่งกับใครเลยนะทีพอไม่แข่งกับใครเขาจะเกลียดเราไห ม, มไม่เกลียดเราเพราะเราไม่ได้เป็นคู่แข่งของเขาไม่ได้ไปช่วงจิงกับเขานั้นการเอาชนะความต้องการตัางหากที่ทําให้ชีวิตจบได้จริงๆริงเขาใช้คำว่าจบกิจเลยละ่ะจบกิจพร ม, มจันทร์เลยหรือทําให้เจ้าความต้องการมันอยู่ในการควบคุมเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสบายขึ้นไหม ไม่ต้องตามใจเขาทุกเรื่องแต่ตามใจเฉพาะบางเรื่องนี่เริ่มอยู่ในควบคุมกับเปลี่ยนเจ้าจิตเสียใหม่ให้หันไปชอบสิ่งที่มันง่ายๆให้ไปชอบสิ่งที่มันธรรมดาถ้าหันไปชอบแบบนั้นเข้าไปเนี่ยเราสบายไหมถ้าจิตหันมาชอบภาวนาเนี่ยเขาจะเริ่มสันโดษเพราะว่าเขาจะเริ่มมีความสุขกับการปฏิบัติพอเริ่มมีความสุขกับการปฏิบัติเขาจะไมะ่ให้ความสาคัญกับ สิ่งต่างๆแบบโลกๆเลยคนแค่หันมาหาความสุขกับการปฏิบัติเนะี่ยคนนั้นจะมีชีวิตที่ประหยัดไปเยอะเลยนะประหยัดเยอะมากทุกวันเวลาที่ปฏิบัติจะทําให้คนนั้นได้เสพกลิ่นอายความสันโดษและก็เสพการฝึกฝนการตามมีตามได้และชีวิตอย่างนั้นสงบเย็นเป็นทุกข์ได้ยากนะในขณะที่อีกคนยังวิ่งตามความต้องการ มากมายหลายสิ่งที่ดูแล้วไอสิ่งที่เขาต้องการเนโอ้โหชาตินี้จะสำเร็จไหมนั่นน่ะแต่เรากับไม่มีความต้องการแบบนั้นคนไหนสบายกว่าเราคนนั้นเขาอยากได้ไอ้นั่นแต่เราไม่อยากได้แบบนั้นเราสบายไหมสบายนะไอเจ้าความต้องการเนี่ยรู้ไม่ทันเนี่ยเขารังแกคนนะไอความต้องการเนี่ยดังนั้นพุทธเจ้าให้มาจัดการเจ้าเหตุเกิดทุกข์คือไอเจ้าตัณหาเนี่ล่ะ มันเป็นเหตุที่ทำให้ชีวิตของคนเราเน้นหาความสงบเย็นไม่ได้เลยเหตุที่มีตัณหาก็เพราะมีอวิชชายังไม่รู้จักโลกยังไม่รู้จักเจ้าตัณหาดีพอจึงยังไหลไปกับความต้องการนั้นอยู่แต่พอรู้จักแล้วเนี่ยจะเริ่มมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงเจ้าจิตและทำลายความต้องการให้มันเบาบางลงเมื่อเขาเบาบางลงนะจิต ของคนนั้นจะเย็นขึ้นชีวิตคนนั้นจะสงบขึ้นนะได้ที่สุดก็ตายเหมือนกันใช่ไหมคนต้องการอะไรใหญ่ๆได้ยังไม่ทันอยู่ถึงปีาตายแล้วคนต้องการอะไรน้อยๆก็ตายเหมือนกันนะแต่วันคืนนะ่มีความเย็นไม่เท่ากันหรอกคนต้องการอะไรเยอะแยนะเน่ยวันคืนไม่เคยได้พักหรอกนะได้นอนหัวยังไม่หยุดคิดเลย บางทีกินข้าวกินไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยไม่มีเวลาที่จะกินไม่มีเวลาที่จะนอนแต่พอได้มาเสร็จจิตก็ยังไม่ยอมพอใจอีกมันหาอันใหม่อีกละคนที่อยู่ภายใต้อํานาจของจิตแบบเนี้ยวันคืนจะหาความสุขจริงๆได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดหรอกแน่นอนนั้นคนที่เขาหมดความต้องการบางทีก็นั่งเปล่งอุทานเลยนะโ อ, นอ้สุขหนอสุขหนอนะ่ย พราวพอไม่อยากได้อะไรแล้วมันเย็นเหลือเกินพอไม่อยากได้อะไรแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนอิ่มอยู่เสมอนะในความที่จิตกําลังไม่ต้องการสิ่งใดนั่นคือเขากําลังอิ่มอยู่นะนั้นเราจะต้องผ่านวันคืนจะต้องสร้างความรู้ให้เจ้าจิตเหมือนสอนเจ้าจิตให้รู้ให้ได้ว่าสิ่งที่ตนต้องการน่ะมันมีโทษภัยมันไม่ได้มีกัลสารหรอกนะ มันเป็นของชั่วคราดทั้งนั้นแหละนี่คือผ่านวันคืนสร้างแบบนี้เมื่อสร้างความเข้าใจแบบนี้เข้าไปเนี่ยจิตเขาจึงเกิดความรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่น่าต้องการเลยถ้าเขารู้สึกว่าไม่น่าต้องการหมายถึงเขาจะอยากได้ไหมถ้าเขาอยากได้อยู่ก่อนเนี่ยเขาจะคลายความอยากไหมคลายนั้นการสร้างความรู้สึกให้จิตคลายความต้องการกับการตามใจความต้องการของจิตเนี่ยอันไหนยากกว่า ไม่แน่ใจเขาต้องการเรื่องเล็กๆเี่ยไอ้ตามใจมันก็ไม่ยากแต่เ้าโทษเขาต้องการเรื่องยักษ์ๆเนี่ยโอ้โหตามใจนี่ทรมานเลยนะถ้ามันตามใจแล้วทรมานกันนั้นฉันทำลายความต้องการดีกว่าดูถ้าจะง่ายกว่านะนั้นในมุมของพระเจ้าเนี่ยเขาจะทำลายความต้องการชีวิตจึงหยุดเย็นได้อย่างแท้จริงนะหยุดเย็นเป็นนิพพาน การทำลายความต้องการในวิถีของพุทธศาสนาก็คือให้เหตุผลกับเจ้าจิตสอนเขาพาเขาไปมองโลกให้เห็นโลกให้เห็นชีวิตให้เห็นสิ่งที่เขาชอบใจติดใจว่าเป็นสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนของว่างเปล่าเป็นของชั่วคราวเป็นสิ่งที่ไม่มีกันสารให้เห็นมุมนี้ให้ได้ดังนั้น การเจริญปัญญามุมหนึ่งที่เราต้องไปอบรมคือไปอบรมในมุมที่จะต้องให้เห็นโลกให้เห็นชีวิตให้เห็นสุขทุกข์ทั้งหลายเห็นการมกุณทั้งหลายให้เห็นถึงความเป็นสิ่งที่ไม่มีกัรสารไม่มีการสารแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้ด้วยเป็นสิ่งที่มีแต่ความเหนื่อยยากเป็นสิ่งที่หาความอิ่มเต็มไม่เจอเป็นสิ่งที่แปรปลนตลอด เป็นสิ่งที่พร้อมจะนำภัยมาให้เห็นอย่างนี้เห็นสุกๆเห็นแก่กล้าเห็นด้วยใจสงบสะอาดอ่อนโยนเนี่ยใจที่อ่อนโยนสะอาดและพิจารณาอย่างนี้เนี่ยความรู้สึกไม่ต้องการนี่ก็จะชัดเลยชัดแล้วมีพลังด้วยแล้วหยุดได้เลยแล้วขยันย้ามองที่จะเห็นมีตโทษภัยไม่มีการสารมากในวันหนึ่งคืนหนึ่งนะทจริงๆ นำพาจิตจริงๆเนี่ยสักปีหนึ่งเนี่ยคิดว่าบางไปเยอะนะบางไปเยอะเลยนะเมื่อบางได้เนี่ยหมดได้ไหมหมดได้นะหมดความต้องการสิ่งทั้งปวงโดยแท้จริงเมื่อไหร่นั้นคือพระอรหันต์นะนี่คือพระอรหันต์เลยถ้าหมดได้ระดับหนึ่งก็สกทาคาหมดไปอีกก็อนาคาหมดจนไม่เหลือสิ่งที่ต้องการเลยก็อรหันต์ อย่างนั้นจะหมดได้เมื่อจิตรู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าต้องการนะจะรู้สึกว่าไม่น่าต้องการจิตต้องเกิดความรู้และเห็นชัดว่าสิ่งนั้นไม่มีการสารเลยสิ่งนั้นโหวโทวภัยเยอะเหลือเกินสิ่งนั้นมีแต่ความแปรปวนพอแปลปวนอย่างนี้เข้าไปเนี่ยสิ่งนั้นเหมือนของชั่วคราวนะนี่คือการพิจารณาทีนี้การพิจารณาในมุมแบบเนี้ย ถ้าคนสมาธิไม่ดีเนี่ยพิจารณาไม่ไปหรอกมันตือ้อถ้าคนมีกระแสจิตอ่อนโยนไม่พอสะอาดไม่พอสงบไม่พอการพิจารณาจะไม่เป็นธรรมชาติจะไม่เย็นนะจะไม่กลมกลืนลื่นไหลดังนั้นคนที่จะพิจารณาแล้วให้จิตรู้ซึ้งในความรู้สึกเนี่ยกระแสจิตจะต้องสงบสะอาดอ่อนโยน แล้วก็มีความมั่นคงความมั่นคงมั่นคงในระดับที่หล่อเลี้ยงการพิจารณาแล้วไม่สูญเสียพลังอันนี้คือสมาธิที่ดีการพิจารณาจะไปได้ไกลไปได้นานถ้าเราพัฒนาด้านความตั้งมั่นด้านความสงบได้ดีการพิจารณาทาไม่มีปัญหาถ้าเราพัฒนาด้านความสะอาดด้านความอ่อนโยนของเราได้ดีด้านความสงบดีได้ความมั่นคงของจิตดีเนะี่ย การพิจารณาไม่มีปัญหาดังนั้นบุคคลจะต้องมีอีกหนึ่งสิ่งคือพัฒนาด้านการสร้างความรู้เพื่อให้จิตจางคลายนะการสร้างความรู้จะทำให้เขาจางคลายการทำจิตให้ปล่อยกับการสร้างความรู้แล้วให้จิตคลายเนี่ยอันเดียวกันไหมคนละอันทำจิตให้ปล่อยมันดึงขนมออกจากปากเด็กนี่คือทำจิตให้ปล่อย นำํำพาให้เขาเข้าใจว่ามันมีโทษภัยไม่มีกัญชาณนะแล้วก็คลายเองเก็เรียกว่าให้เด็กมันคลายออกจากปากเองเก็เรียกว่าทําจิตให้จางคลายนะทำจิตให้คลายกับทําจิตให้ปล่อยเนี่ยพระพุทธเจ้าวางไว้สองจังหวะเลยนะนะให้ไปฝึกทําจิตให้ปล่อยขั้นที่หนึ่งต่อมาฝึกทําจิตให้จางคลาย ซึงเป็นคนละอารมณ์กันเลยการคลายเนี่ยมาจากสุดลึกการปล่อยเนี่ยมาจากเมื่อผัสสะทุกสิ่งที่กระทบกระทบแล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยแต่ทำจิตให้จางคลายนีย่คือถอนจากภายในเลย น, นั่งมองหาโทษภัยอะไรเยอะแยะนานๆเคยชอบอะไรไว้ในใจเต็มอกเนี่ยเริ่มจืดไปเยอะเลยนี่คือฝึกทำจิตให้คลายด้วยการผ่านวันคืนสร้างความรู้เยอะๆ นี่คือขั้นหนึ่งกับในมุมของความรู้ที่บุคคลต้องสร้างให้สำเร็จเพื่อก้าวถึงความเป็นอริยบุคคลชั้นแรกให้ได้นั่นคือเขตความรู้เรื่องความว่างจากเราเรื่องความไม่มีเราเนี่ยไม่มีเราอยู่ในขันห้าไม่มีเราอยู่ในกายในจิตกายและจิตไม่ใช่เรานี่คือข้อที่ว่าบุคคลที่มุ่ง กัรสารคือมรรคผลนิพพานหรือการรู้ถึงคุณธรรมของความเป็นอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันสกทาคานาคาละหันเนี่ยจะต้องเข้าถึงเขตความเข้าใจในระบบธรรมชาติให้บริสุทธิ์นะและเข้าใจในชีวิตอย่างบริสุทธิ์ในคําว่าบริสุทธิ์เนี่ยเมื่อเข้าใจถูกต้องในเรื่องราวของขันหรือกายและจิตได้ถูกต้องเนี่ย ความเข้าใจที่ถูกต้องจะทำให้ค้นพบความรู้เรื่องความว่างจากเราไม่มีเราอยู่ในกายและจิตกายและจิตเป็นธรรมชาติล้วนๆหรือไม่มีเราอยู่ในขันห้าไม่มีเราอยู่ทั้งภายในและภายนอกและในธรรมชาติทั้งปวงก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่เลยนี่คือเขตความรู้ที่บุคคล ต้องไปอบรมให้มีขึ้นเป็นขึ้นเป็นเบื้องต้นวางไว้เลยคนไหนอยากจะเข้าถึงก่นธรรมเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าให้เธอไปตามเห็นเจ้าขันธ์ห้โดยความเป็นของว่างจากเราให้ได้ตามเห็นเจ้าขันธ์ห้าโดยความเป็นของไม่ใช่เราให้ได้ไปดูซิมันไม่ใช่เราอย่างไงผ่านวันคืนไปดูไปสังเกต จนกว่าจะรู้จริงด้วยตนเองว่า ม, มันไม่ใช่เราจริงๆมันไม่ได้มีเราอยู่ในขันห้าจริงๆขันห้าเป็นระบบธรรมชาติล้วนๆจริงๆอันนี้คือข้อปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยจะต้องไปสร้างความรู้เรื่องความว่างจากเราให้สาเร็จนี่คือญาณทัศนะตัวแรกความรู้เรื่องความว่างจากเราไม่ได้ทำให้เบื่อโลกไม่ได้ทำให้หมดความต้องการ แต่ทำให้เกิดความแจ่มใสในความเข้าใจต่อวิถีธรรมชาติได้อย่างบริสุทธิ์นะกลายเป็นคนมีเหตุผลและเมื่อเข้าใจว่าว่างจากเราเนี่ยจะทำให้เข้าถึงความรู้สึกอีกอันหนึ่งว่าทุกสิ่งที่ไม่ใช่เราย่อมไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาสิ่งใดๆดได้เลยเมื่ออะไรก็ตามที่บังคับมันไม่ได้สิ่งนั้นทำให้เราเดือดร้อนได้ไหได้ถูกไห บังคับรูปไม่ได้เนี่ยเดื อ, รอดอร้อนัหยบอกให้เธอเลี้ยวขวาฉันจะเลี้ยวซ้าย<笑><笑>เดือดร้อนบอกเธออย่าไปฉันจะไปอะไรก็ตามถ้าบังคับไม่ได้เนี่ยทุกได้ไหมไ ด, ได้ดังนั้นถ้าระบบชีวิตทั้งชีวิตมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่เราเนี่ยแล้วไม่ได้มีเราอยู่ในมันจะบังคับมันได้ ไ, ไหมได้ไมใครบังคับได้บ้างไม่ไ ด, ไได้เมื่อไม่ได้เนี่ยเราก็ทุก์กับมันได้ นั้นในมุมของการเห็นความไม่ใช่เราเนี่ยทำให้บุคคลนั้นคลายความยึดมั่นถือมั่นและมองเห็นโทษภัยของสิ่งที่บังคับไม่ได้ขึ้นมาได้ด้วยนี่คือคลายระดับหนึ่งเห็นความว่างจากเราก็คลายความติดใจ ย, ยึดถือได้ระดับหนึ่งแต่ไม่พอไม่ยึดถือว่าเราแต่ก็ยังชอบสิ่งนั้นชอบสิ่งนี้ชอบสิ่งนูน้นเม่ยังชอบอะไรอยู่หมายถึงความติดใจยังไม่คลาย จากสิ่งทั้งปวงก็เลยต้องมีการสร้างความรู้อีกระดับคือตามมองให้เห็นโทษภัยแบบที่สอนเมื่อครั้งแรกเนี่ยพอมองเห็นโทษภัยทีนี้จะคลายความติดใจออกจากสิ่งทั้งปวงความรู้ที่จะต้องสร้างก็มีแค่สอ ง, สองระดับคือหนึ่งความรู้เรื่องความว่างจากเรานิใครโมหะบางส่วนกับ ความรู้เรื่องการเห็นโทษภัยให้แก่กล้าเนี่ยคือคายราคะโทสะได้นี่คือส่วนนี้เติมการบ่มเพาะความรู้ทั้งสองส่วนทั้งเรื่องความว่างจากเราทั้งเรื่องโทษภัยของขันโทษภัยของโลกเนี่ยบ่มเพาะความรู้อย่างเนี้ยให้แก่กล้าให้นานแน่นให้มั่นคงให้ขยายตัวให้สมบูรณ์ความรู้ที่สมบูรณ์ส่วนนี้ก็จะนำพาใจิตจางคลาย จางคลายเมื่อคลายก็หลุดพ้นง่ายั้มไม่รู้เหมือนกันเป็นอย่างนั้นนั้นข้อที่ผู้ปฏิบัติเอาแค่ระดับแค่นี้พอแล้วจริงๆก็มีอีกพอสมควรนะสรุปสั้นๆในการจะปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงแก่นธรรมจริงๆเนี่ยการปฏิบัติธรรมบุคคลนั้นจะต้องมีความตั้งใจเพื่อพัฒนาด้านความสะอาดสะอาด ของกระแสจิตนะสะอาดจากอกุศลทั้งปวงถ้าพัฒนาด้านความสะอาดก็ต้องควบคุมไปที่ความคิดการพูดการกระทาการใช้ชีวิตควบคุมความรู้สึกควบคุมความจำนี่คือควบคุมด้านความสะอาดให้ทรงตัวและพัฒนาด้านความอ่อนโยนในความอ่อนโยนเนี่ยมันทำให้จิตนั้นน้อมไปในการพิจารณาได้อย่างลึกซึ้ง มือนคนจิตอ่อนโยนเนี่ยมองอะไรแนละ้วมันลึกซึ้งมันรู้สึกซึ้งอะ่ะพออ่อนโยนพอกระด้างแล้วไม่ซึ้งหรอกมันจืดมันเฉยคนไหนที่จิตกระดา้างคนนั้นจะแก่เฉยนั่งสมาธิก็เฉยไม่ซึ้งนะเพลงอนิจจังก็เฉยไม่ซึ้งเพราะกระดา้างนั้นคนนั้นต้องพัฒนาด้านอ่อนโยนพออ่อนโยนจึงไม่เฉยมันไหลไปกับ กะแสอารมณ์พัฒนาด้านสะอาดด้านอ่อนโยนพัฒนาด้านความแกข่งพัฒนาด้านความสงบตั้งมั่นต้องฝึกสมาธิพัฒนาด้านการทําจิตให้ปล่อยเพื่อทําให้จิตว่างพัฒนาด้านการสร้างความรู้เอาแค่นี้พอก่อนเดี๋ยวเยอะขี้เกียจปฏิบัตนะิอันนี้ก็ เราก็จะรู้ว่าถ้าจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะทำอะไรนะเราทำอะไรเราทำเพื่อให้จิตสะอาดขึ้นเราจะทำอะไรเราจะทำให้จิตอ่อนโยนขึ้นเราจะทำอะไรเราจะทำให้จิตแข็งแกร่งขึ้นเราจะทำอะไรเราจะทำให้จิตปล่อยได้ง่ายขึ้นเราต้องฝึกการปล่อยเราจะทำให้จิตสงบขึ้นเราจะทำยังไงเราจะทำให้จิตจางคลายเราจะทำยังไง ถ้ารู้ว่าจะทำยังไงทีนี้ทำไงต่อโน่นโคนไม้โน่นเหลือนวางไปหาที่ทำมองนะผ่านวันคืนก็ทำาอาจบสรุปการปฏิบัติยากไหมเหมือนไม่ยากแล้วจะทำเมื่อไหร่อะทำได้นะอ่ะก็พอสมควรสองชั่วโมงละอนุ ญ, ญาตให้โยมเปลกดีกว่านะ